มีใครอยากจะถามอะไรเปล่า<ป>มาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพครับได้ดูที่หลวงพ่อสอนทางยู u ูบอะครับอเออวางก็เลยอยากมาฟังหลวงพ่อในธรรมะแต่มีข้อสงสัยบางข้อครับก็ถามได้ไกไยกตัวอย่างเช่นเวลาเรา คือปัญญาเนะี่ยมันเกิดจากสุตตามยปัญญาสงตตามยปัญญาภาวนามยปัญญาที่นี่ระดับของการเข้าใจวดไตรรักษ์เนี่ยนะครับในระดับต่างๆสมมติว่าเราภาวนามยปัญญาก็จะเกิดปัญญาเนี่ยแล้ว เ, เราจะปรับใช้วดไตรรักษ์เนี่ยแล้วเราจะรู้มันจะต่างอันยี้ไงครับในระดับที่เป็นสุตตมยปัญญากับภาวนามยปัญญาเนี่ย มันจะเพียนาานาต่างกันยังไงนะครับก็จินตามยปัญญาก็เป็นปัญญาที่เราคข้ควรอยู่เหมือนกับการทําการบ้านเรายังไม่ได้เข้าห้องสอบเช่นเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่เรายังไม่ได้เจอความแก่ความเจ็บความตายเราเพียงแต่คิด ไว้ล่วงหน้าก่อนเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เรียกว่าจินตามิยะปัญญายังไม่ได้เป็นผลอะไรผลก็คือทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บและพบกับความตายทีนี้ท่านที่ ต่อมาที่เรียกว่าภาวนามายะปัญญาคือขั้นที่เวลาเราเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายแล้วเราสามารถที่จะทําใจให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรารับได้ไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวลไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เรียกว่าเป็นภาวนามายยะปัญญา ถ้าเป็นจินตามยะปัญญาเวลาเจอความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นตอนนี้คณรู้ว่าคุณจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าวันนี้ไปหาหมอแล้วหมอเขาพบว่าเป็นมะเร็งใจของคุณเป็นอย่างไรถ้าใจของคุณไม่สบายใจก็แสดงว่ายัางไม่ได้เป็นภาวนามยาปัญญา ถ้าเป็นภ า, ภาวนามย์ญยปัญญามันจะดับความทุกข์ได้พอรู้ว่าเป็นก็เป็นก็เป็นทำใจได้ทำใจไม่ให้ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายที่จะตามมาได้นี่คือความแตกต่างกันคืออยู่ที่ว่าปัญญาที่เราเรียนมาที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถดับความทุกข์ใจของเราได้หรือไม่ ถ้าดับได้ก็เป็นภาวนามยปัญญาถ้ายังดับไม่ได้ก็เป็นจินตาหรือเป็นสุตตะสุตตะก็คือการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นคือเบื้องต้นเราก็ต้องได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นก่อนเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรความทุกข์ของพวกเราพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากความอยาก เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย tså, พอเรามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะทุกข์ขึ้นมาหรืเพียงแต่คิดถึงมันก็ทุกข์ได้คิดว่าเราจะแก่นี้ก็ไม่สบายใจ ค, คิดว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมานี่เราก็จะรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจาก ความอยากของเราดงนั้นพระเจ้าก็สอนต่อไปว่าวิธทีที่จะดับความทุกข์ของเรานี้เราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้อยู่ยความอยากไม่แก่อยา่างไม่เจ็บอยา่างไม่ตายและสิ่งที่จะดับความแก่ความเจ็บไม่ตายได้ก็คือการยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจมีความสงบมีสมาธิ แล้วเห็นความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็จะละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็จะทำใจได้ปลงได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังปลงไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิกำลังสมาธิไม่พอเพราะว่าสมาธินี้จะทำให้ใจเรามีออเบคา คือปล่อยวางวางเฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจิตเวลาสงบเป็นสมาธินี้จะเป็นกลางจะไม่มีอคติทั้งสี่คือความลักความชังความกลัวความหลงแล้วพอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วปัญญาก็สอนว่าเป็นธรรมดาของร่างกายเป็นความจริงของร่างกาย ที่จะต้องเป็นอย่างนี้และร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใจร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ร่างกายเป็นคนละคนกันขอใจเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่เป็นใจใจก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายได้นั้นปัญญาก็ต้องพัฒนาขึ้นไปตามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ศึกษา ถ้าเราไม่รู้เรื่องของอความทุกข์ใจไม่รู้เรื่องของอกิเลสตัณหาเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็หามาหาวิธีกำจัดมันวิธีกำจัดมันก็คือต้องศึกษาต้องเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราไปอยากให้เป็นของเราอยากให้เที่ยงแล้วมันเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วนี่คือถึงต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้ขั้นที่สองเรียกว่าจินตามเมย้ปัญญาเราต้องคอยเตือนใจถ้าเราไม่เตือนใจเราจะลืมเราจะลืมไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็จะทำให้เราอยากจะทำนู่นทำนี่อยากมีนั่นมีนี่อยากจะอยู่ไปนานๆพอมีอะไรแล้วก็อยากจะอยู่ไกลกับสิ่งที่เรามีไปนานๆ อยากจะได้มากๆ ม, มันก็ทำให้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องแก่นะชีวิตของเรามันน้อยลงไปทุกวันเวลาของเราที่จะอยู่ในโลกนี้มันมีเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันถ้าเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราผ่อนหรือลดความอยากต่างๆได้ หรือตัดไปได้หมดเลยก็ได้ถ้าเราตัดความอยากไปได้หมดเราก็จะไม่ทุกข์กับเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเพฉะนั้นการที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้องมีอุเบกขาถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจะไม่มีกำลังปล่อยวางความอยากถึงแม้เรารู้ว่าความอยากทำให้เราทุกข์ แต่เราก็ยังหยุดไม่ได้เหมือนคนที่ติดสุราอย่างนี้คนที่ติดสุราก็เพราะว่ายังอยากดื่มอยู่แล้วก็รู้ว่ามันเป็นโทษ ด, ดื่มแล้วมันก็ทุกติดสุราแล้วก็ต้องดื่มไปเร<ณ>ื่อยเวลาไม่ดื่มก็ทุกนะเวลาดื่มมากๆก็ทำให้ร่างกายตายเร็วขึ้นก็ทุกอีก แต่ก็หยุดความอยากไม่ได้เพราะใจไม่มีกําลังหยุดกําลังหยุดก็คืออุเบกขาที่เราจะได้จากสมาธิเห้น<ม>คนที่รู้ว่า<ม>การดื่นสุลานี่<ม>เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเป็นทุกข์แต่ก็เลิกไม่ได้<ม>ถ้าอยากจะเลิกถ้าลองไปนั่งสมาธิได้ฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็จะเลิกได้ เห็นปัญญาถ้ารู้ว่าเป็นโทษแต่ยังเลิกไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นจินตามัจะปัญญาถ้ารู้ว่าเป็นโทษแล้วเลิกได้ก็เรียกว่าเป็นภาวนามัปัญญานี่มันจะเลิกได้ก็ตจิตจะต้องมีอุเบกขาจิตต้องอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆไม่ไม่ดื่มสุราได้เวลาอยากดื่มก็ฝินได้ฝืนความอยากได้ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธินี้ จะไม่มีกำลังฝืนความอยากพออยากแล้วใจมันสั่นใช่ไหมแต่ถ้ามีอุเบกขานี่ใจจะนิ่งยังไม่สั่นดันั้นเราจึงต้องมานั่งสมาธิแล้วก็เตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากและสิ่งที่เราอยากนี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเรา สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเราอย่าไปอยากมันดีกว่าอย่าไปอยากดื่มอย่าไปอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บเนพราะความอยากนี้มันเป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทำใจเฉยได้ เวลาแก่ก็ทำใจเฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าไปในสมาธิก็ได้หรือไม่ต้องเข้าก็ได้ถ้ามีอุบเบกขาถ้าใจเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บมันก็ไม่ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันหยุดความอยากไม่ได้งนั้นต้องมาปฏิบัติต้องมาทำใจให้สงบแล้วก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า เราจะต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปค <c oughs> ที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าสมาธิกับอุเบกขาเนี่ย <c oughs> หมายความว่า การที่เรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะนิ่งจริงๆครับมันก็จะไม่ได้เอาเรื่องเข้ามาทั้งทวารทั้งห้ามอไตอนภาวะขนาดนั้นที่เรานั่งให้เราจดจำไว้ว่าไอกรณีอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาในทวารทั้งห้าเมื่อ ท, ทั้งทาั้งตกอเราอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาได้ใช่ไหมครับ ถ้ามันมันเข้าไปแล้วมันมันนิ่งมันไม่มีมันไม่มีความรักชังโกลัหงมันก็เรียกว่าอุเบกขาแสดงว่าตอนที่มันมีอะไรกระทบเนี่ยเราก็เอาไอ้ที่เราเคยฝึกหรือความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยอมาใช้กับเวลาแล้วมันเข้ามาคือดูจากคือไอ้นั่งสมาธินะคือูได้เหมือนก็ฝึกกาลังเราให้เรารู้จักว่ารู้จักวางเฉยวางเฉยว่าเนี่ยเพราะนมา ก็เคยทําได้ก็ต้องแปลว่าก็ต้องพยายามฝึกให้มันทําได้ตลอดแล้วก็เอาไอ้ปรับไอ้วิธีการแบบเนี้เอาไปใช้เมื่อมีอะไรมากระทบหนักนั่นแหละแล้วก็พยายามนึกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นกฎธรรมชาติเราไม่มีวันเหนือมันหรอกเราต้องอยู่ภายใต้มันเพราะฉะนั้นเมื่อเหนือมันก็มั็นการทำยังไงนึกไปยังไงมันก็ไม่มีวันเหนือจริงๆเราก็จะได้หยุดความอยากที่จะไปอยู่เหนือมันคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหม ให้ยาฝึกให้เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นให้ดูบ่อยๆให้ฝึกบ่อยๆให้ทําได้ทุกเวลานาทีเพราะเหตุการณ์ต่างๆมันมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทแีแล้วแล้วถ้ามันเกิดบางวันมังไม่ทนันนะเขาทำไงไม่ทันก็แสดงเขาสอบตกเลยก็ต้องสอบใหม่ก็ต้องทําต่อก็ต้องไปฝึกสติสมาธิให้มากขึ้นให้มันทันให้มันเป็นปัจจุบันตลอดเวลา จิตเราตอนนี้มันไม่อยู่ปัจจุบันตลอดเวลามันชอบแ่าไปอดีตไปอนาคตพอเหตุการณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้นมันก็รับไม่ทันแต่ถ้ามันตั้งหลักอยู่ที่ในปัจจุบันสักแต่ว่ารู้เฉยๆเป็นอุเบกขาตลอดเวลาอะไรเกิดมันก็จะทันการาเราต้องพยายามมีอุเบกขาตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาอยู่ในสมาธิเวลาจากสมาธิมาก็ต้องสอนใจว่าเฉยๆนะสักแต่ว่ารู้นะ อย่าไปยินดียินไล่อย่าไปรักไปชังอย่าไปกลัวไปหลงแล้วผู้ปฏิบททัติทีแรกเนี่นะครับเวลาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยส่วนมากมันมันทํายังไม่ได้หรอกครับในเวลามันอะไรกระทบมันก็จะหลงไปตามโลกแล้วเราก็จะมีวิธีคือมันก็จะมีหลายระดับแล้วเราจะดึงกลับสู้มันได้ยังไงครับก็อยู่ที่การปฏิบัติมากน้อยไง ถ้าปฏิบัติมากมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปตามกำลังของการปฏิบัติของเรเราฝึกเล่นเล่นด น, นตรี<อ>เล่นบ่อยมันก็กนชำนาญ<อ>มันชำนาญ<อ>คือตอนนี้ส่วนใหญ่ยากยโยมเป็นเขาเรียกว่านักปฏิบัติมือสมัครเล่นเพราะว่ามีเวลาน้อยต้องเอาเวลาไปท ร, รมาหากินเวลาที่จะมาปฏิบัติทางนี้มันมีน้อย กำลังของโอเบคามันก็เลยมีน้อยแต่พวกที่เป็นนักบวชเนี่ยเขาเป็นพวกมืออาชีพเขามีเวลาปฏิบัติตลอดเวลาเพราะเขาไม่ต้องไปทางานอย่างอื่นพวกพวกที่เขาเป็นมือที่ก็ถึงมักจะเป็นเป็นผู้ที่ได้เหรียญทองถ้าพูดเป็นนักกีฬาพระพุทธเจ้าพระาลานนี่ท่านเป็นนักบวชทั้งนั้น ถ้าอยากจะฝึกจิตให้มีความเข้มข้นมีความแข็งแกร่งรู้ทันกับเหตุการณ์ตลอดเวลาไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆตลอดเวลาก็ต้องปฏิบัติตลอดเวลาต้องเจริญสติให้ควบคุมใจให้นิ่งได้ตลอดเวลาให้เป็นอุเบกขาได้แล้วเวลาใจจะเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาหยุดมันมาเตือนว่าอย่าไป อย่าไปยาอยากอยากแล้วทุกข์มันต้องทําตลอดเวลาโดยหลวงพ่อมันต้องคู่กันไหมฮะไอตัวสติและสมาธิเนี่ต้องคู่ต้องต้องไปคู่กันไหมมันไปทั้งสามตัวนะถ้าถึงเวลาเวลามันได้เเจริญเติบตัวทั้งสามตัวนี้มันจะทํางานควบคู่กันไปสติปัญญาสมาธิมันถึงเป็นมรรคมันถึงจะครบองค์ ตอนต้นเราค่อยสร้างบางทีเราตัวก่อนเพราะเรายังไม่มีเราต้องอาศัยสติเป็นตัวสร้างขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาแล้วพอนั่งสมาธิก็จะได้อุเบกขาแล้วพอจากสมาธิก็ใช้ปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าไปอยากกับอะไรอย่าไปยุ่งกับอะไรอย่าไปเปลี่ยนแปลงอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้รับความจริงตามที่กําลังเกิดขึ้นอยใครก็าดา่าเราก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ดา่าเรา ใครเขาร้ายกับเราก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ร้ายกับเราเพราะเราห้ามขอไม่ได้ใช่ไห ม, นรรมอ น, นัตตาให้ให้ยกตัอย่างว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปสั่งไปควบคุมบังคับได้เสมอบางเวลาเราสั่งได้แต่บางเวลาก็สั่งไม่ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนในพวกเราทักงหลายเนี่ย ยอมรับกฎธรรมชาติที่เรียกว่าไตรรัตน์งั้นสลอสิยอมไม่ได้แต่จะ ย, ยอมเนี่ยวิธีการท่านก็บอกวิธีไว้ว่า<ๆ>ต้องมีสตินิสมาธิแล้วก็จะยอมรับได้ที่มันจะยอมรับเนี่<า>ก็เพราะว่ามันมันเป็นเหมือนกับเอ่เป็นของที่มันไม่เคยทํามันเคยแต่ฝืนธรรมชาติ งั้นอยู่ดีๆจะให้มันเปลี่ยนนิสัยนี่มันก็ต้องใช้การควบคุมบังคับต้องใช้สติเนี่ยสติจะเป็นตัวเทศควบคุมบังคับให้ใจที่ดิ้นเนี่ยให้มันนิ่งให้มันสงบเช่นใจมันชอบดิ้นไปกับความคิดนมันจะคิดไปทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วมันก็จะไม่นิ่งก็ต้องใช้สติมาหยุดมัน วิธีเจริญสติก็มีอยู่สี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเราเลือกวิธีไหนวิธีหนึ่งก็ได้ที่ถูกใจที่ถูกจริตกับเราแทนวิธีง่ายๆก็พุโทโธพุโทโธไปให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เมื่อคิดไม่ได้มันก็จะว่างจะเย็นแล้วเวลานั่งมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมา แล้วพอออกจากสมาธิมาถ้ามีปัญญามันก็จะคอยห้ามใจไม่ให้ไปอยากไม่ให้ไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญซึ่งโดยธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสมีตัณหามันจะอยากทันทีคิดถงึงเงินเงินเทเลมันก็อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยคิดถึงตําแหน่งก็อยากจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยคิดถึงสรรเสริญยกย่องเยนยอ ก, ก็อยากจะได้ นีกถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะเสพมันนี่เราต้องมาหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังหยุดมันได้มันสแสดงว่าตอนที่เราอยากเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอยากปั๊บทุกปุก๊บอยากเ<ช>รื่นั้นทุกทันทีท้าุยอยากอไอ้ตรงทุกก็จะอยู่เพราะฉะนั้นจะทายังไงส่วนมากคนมันคิดตรงนี้ปุ๊บ มันจะชักเร็วมันก็จะไปแ ต, ะแต่ถ้าเรามีสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนคือมิเบกาเราก็จะยั้งมันทัน<ช>ว่าไปเนี่ยกำลังจะเป็นตก<ป>หลุมพรางนะ ะ, ะตกน ะ, ะแล้วก็มาเทียบ ว, ว่าไอ้ตอนที่มิวเบกาเนี่ยจิตมันสงบมันมีสุข<ช>แต่ว่ายึดไอ้ความก็ต้องเรียกว่าจิตสงบก็เป็นสุขอะคือ<ช>มันไม่วุ่นวายก็ยึดว่าไอ้ความวุ่นวายไม่มีเนี่ยมันก็เป็นสุข ก็แล้วทำไมไม่เอาละ่ะไอตัวเนี้ยจะไปเอาไอหลุมพรางหรือไม<ช>เอาหลุมพรางเดี๋ยวก็กลับมาวนเวียนอย่างเกลใช่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอของมไม่พอนะครับอแล้วเราก็าจะได้แต่ละครั้งก็เหนื่อยคใช่เหมแล้วบางทีไม่ได้ก็เสียใจแล้วบางทีไม่ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็ไปทําวิธีที่ผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมไมาให้นึกถึงอุเบกขาซึ่งอุเบกขาเนี่ย ก่อให้เกิดความสุขในจิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนอะไรพ้อมก็มัมนจะสุขอยู่แล้วเราจะไปลงหลุมทางอีกทำไมคล้ายๆอย่างนั้นอยู่เลยครับ ม, ม, มันมีความสุขแต่ถ้าความอยากมันยังไม่ไถูกกาจัดด้วยตัณหาอพอมันไปเจออะไรข้าความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มีอุเบกขาฉะนัออกมาจากสมาธิมีอุเบกขาอยู่ แต่พอไปเห็นขนมนี่มันบางีเกิดความอยากขึ้นมาทันทีนี่ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปอยากอย่าไปกินความสุขชั่วปลายลิ้นกินนักก็มีความสุขแต่มันจะทำให้ติดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินอีกแล้วถ้าไม่ได้ไม่ได้กินก็ทุกข์อีกต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์อันนี้จังเป็นความสุขเดียวเดียว เพรยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วเอเพราะมันเป็นกฎอันิี้จ้ะใช่ถ้าเราไม่ไปทาําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเป็นคนอยากดื่มสุราถ้าฝืนไปไ ม, ไม่ไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็หายพอไม่มีความอยากแล้วก็สบายใช่ไหมคนที่อยากสุรากับคนที่ไม่อยากสุราเนี่ใครสบายกว่ากันไม่อยากสบายเฉยเฉยเนี่ย<ต>ไม่เดือดล้อนมันไม่มาเองต้องฝึกอต้องฝืนเนี่ย ต้องฝืนใช่ไหมใช่ฝืนเพื่อฝึกฝืนสิ่งที่ที่กิเลสมันพยายามชักเลยใช่ฝืนความอยากฝืนความอยากอให้ฝืนการมติหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสให้ฝืนภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากใหญ่อยากโตให้ฝืนวิภาวะตัณหาความอยากไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย นี่คือความอยากสามตัวที่เราจะต้องฝืนต้องเลิกให้ได้ถ้าเราเลิกได้แล้วจะไม่มีอะไรมารบกวนใจจะไม่มีอะไรมาทำให้เราวุ่นวายใจเราจะอยู่อย่างสบายไปตลอดไม่หิวไม่ต้องการอะไรมีความสุขกับความสงบที่ที่อยู่คู่กับใจเป็นสมบัติของใจที่ไม่มีวันจะจากใจไป ไม่เหมือนกับสมบัติทางร่างกายนี้มันจะต้องมีวันจากกันเวลาร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปใจที่ไม่มีร่างกายไม่มีอะไรก็ต้องไปเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากยังอยากได้สมบัติยังอยากได้ยศยังอยากได้สรรเสริญยังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ทาตามความอยากใหม่ เราคิดว่าเวลาทําตามความอยากมันมีความสุขไง ม, มันก็สุขแต่สุขเดียวเดียวใช่มอยากได้อะไรพอได้มาดีใจไหมดีใจแต่แล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มาก็กลายเป็นความทุกข์เพราะเราต้องมาคอยดูแลรักษามารักมาหวงมาห่วงแล้วเวลาเสียไปก็เสียใจนี่มองไม่เห็นต้องใช้ปัญญาสอนให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์ มันสุกเดียวเดียวสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาฮุบเหยื่อใหม่ๆก็ได้กินเหยื่อแต่พอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากก็เจ็บแล้วเสียพอมันติดแล้วมันก็จะเจ็บเพราะมันจะยึดมันจะมีอุปทานพอมีตันหาแล้วก็จะมีอุปทานตามมาพอได้อะไรมาแล้วมันก็จะยึดจะติดจะรักจะห่วงแล้วเวลาเสียไปก็เสียใจ นี่คือสิ่งที่ต้องใช้ปัญญาคิดเพราะถ้าไม่คิดมันมองไม่เห็นไงคนส่วนใหญ่คิดไม่เป็นทางนี้เห็นอะไรจะอยากได้อย่างเดียวใช่ไหมเห็นเงินก็อยากได้เห็นเขาเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาคิดว่าเป็นแล้วมันมีความสุขมันเห็นด้านเดียวมันไม่เห็นด้านทุกข์ถึงแม้ถึงแม้ทุกข์ก็ยังยังยังไม่ยอมปล่อย ยังอยากรวยอยู่งั้นนะขอให้ทุกแบบรวยดีกว่าทุกแบบจน <c oughs> แต่ความจริงทุกแบบจนดีกว่าก็ดูพระพุทธเจ้าท่านยอมทุกแบบจนท่านก็รวยมาก่อนนะท่านก็สะละราชสมบัติแล้วก็ทุกแบบคนจนก็ทุกแบบว่ากินอยู่ยากลําบากหน่อยแต่ใจกับสบายกว่าใจไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงกับทรัพย์สมบัติต่างๆเพราะไม่มีอะไรจะห่วง ยังนต้องทำทำใจให้ได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนให้วางเฉยให้ได้เวลาเห็นอะไรแล้วใจไม่สันไม่หวั่นไหวไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ต้องใช้ทั้งอุเบกขาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยช่วยถ้าเวลาจิตมันถูกตันหาดันออกมาจากอุเบกขาก็ใช้ปัญญาดันกลับเข้าไปกิเลสนี้ตัญหานี้มันจะดึงใจให้ออกจากอุเบกขา เราก็ต้องใช้ปัญญาดันใจดันให้กลับเข้าไปในอุเบกขาหรือถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติไปก่อนก็ได้เช่นพอรู้ว่าใจเริ่มสั่นเริ่มอยากแล้วก็ใช้พุโทโธพุทโธไปถ้าไม่รู้จักใช้ปัญญาก็เอาพุโทโธพุทโธไปกลับไปนั่งสมาธิก่อนพอนั่งสมาธิใจสงบมันก็หายสั่นรู้ตัวก็ได้ใช่มครัอันนี้มันก็จะครบแล้วอถ้าหยุดได้กอ่า ถ้าหยุดได้ก็หยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธช่วยถ้าหยุดได้ก็แสดงว่ามิสติมีกําลังไม่ต้องไม่ต้องใช้สัตไม่ต้องใช้พุทโธพุทโธเป็นการสร้างสติเป็นตัวสร้างสติเหมือนกับเหมือนกับไปเติมน้ํามันเงี้ยเวลาถ้าเรารู้ว่าน้ํามันมันจะหมดแล้วเราก็ต้องไปเติมน้ํามันถ้าเรารู้ว่าสติเรามีกําลังไม่พอที่จะหยุดใจเราก็ต้องไปเติมน้ํามันไปเติมเบรกไปติดเบรก แต่ถ้าเรามีกำลังเขาต่อไปเราไม่ต้องใช้พูดโถเพียงแต่รู้เฉยๆก็หยุดมันได้รู้ว่าอ่ะมันจะไปแล้วนะมันจะอยากกันนะมันจะออกจากอุเบกขาแล้วนะไม่เฉยแล้วนะไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าใจเป็นอุเบกขามันจะสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆรู้ว่ากำลังได้ยินได้ได้เห็นได้อะไรสัมผัสอะไรก็รู้เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ แสดว่าตรงนี้ก็คือสมมาทิฏฐิอ่ะถูกั้ยครับนั่นแหละใช่ใช่ใช่ไหมครับสมมาทิฏฐิคือคิดให้ถูกมีทฤษฎีที่ถูกคือให้เ<า>ห็นเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากหลอยเขาไปเร า, าอยู่ของเราเรารู้เรารับรู้เฉยๆ เ, เป็นเหมือนกระจกอะกระจกนี้มันรับรู้ภาพที่มาที่มองมันใช่ไหมแต่กระจกไม่ไปดีใจกับ อคนยิ้มให้มันมันก็ไม่ได้ดีใจคนแยกเคี้ยวใสยมันมันก็ไม่ได้ดีใจเสียใจกระจกมันก็เพียงแต่สะท้อนภาพความเป็นจริงใจก็เป็นเหมือนตัวรู้ที่รับรู้ตามความเป็นจริงเท่นั้นเพียงแต่พอมีความหลงมีกิเลสเข้ามามันก็เลยเกิดรักชังกลวัวหลงขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดอุปทานขึ้นมาแล้วก็เกิดภาวะเกิดภพเกิดชาติขึ้นมา มันถึงเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันจบมันสิน้นหรือหาใหม่อยู่เรื่อยๆได้อะไรมาแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่แล้วมีจบสิน้นความอยากท่านบอกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรทะเลมหาสมุทรยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งอยากได้เท่าไรไม่มีวันพอ เรนต้องใช้ปัญญาต้องใช้ใจรักมาหยุดมันถ้าเห็นว่าเราจะต้องตายแล้วเราก็อาจจะคิดว่ากูจะเอาไปทำไมคนที่หากันเป็นร้อยล้านพันล้านนี่ไม่ได้คิดว่าจะตายกันหรอกเชื่อหมคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่พอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมองเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทิฏฐิเลยจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิเลย เริ่ปล่อยวางแล้วผมไม่รู้จะเอาไปทําไมเริ ม, มาหาเอาสิ่งที่เอาไปได้ดีกว่าสิ่งที่เอาไปได้อย่างเดียวก็คือความสงบหรือความเครียดถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็เอาความเครียดไปถ้าปฏิบัติได้ทําใจให้สงบได้ก็เอาความสงบไปถ้าได้ความสงบเต็มที่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ พระพุทธเจ้าพระอรหนต์นี่ได้นิพพานคือความสงบเต็มที่เต็มร้อยจิตว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความอยากได้อะไรว่างจากราบยศสารเสรินว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสว่างจากร่างกายว่างจากขันขันห้าว่างจากอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตว่างหมดไม่มีอะไรไม่ยึดไม่ติดกับอะไร ไม่ต้องการอะไรไม่เสพอะไรเสพแต่ความว่างซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงนิบานังบาลังสุญญังนิบานังปมงงางปมังสุขขังอันนี้ก็จากการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะว่างจะอยู่กับความว่างอย่างมีความสุข เพราะความว่างไม่มีโทษถ้าอยู่กับอะไรมันจะถ้ามีอะไรมันจะต้องดับมันต้องเสียใช่ไหมมีร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายมีสมบัติมันก็ต้องพัดภากจากกันมีอะไรมันก็ต้องต้องมีวันจบเวลาจบเวลาวันที่จะต้องจากกันก็เป็นเวลาที่ทุกข์ขณะที่ยังไม่จากกันเพียงแต่คิดก็ทุกข์แล้ว ฉะันต้องมาฝึกทำใจให้ปล่อยวางให้ได้ทำใจให้ไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรไม่มีอะไรก็ไมุ่ท่์กับอะไรพออยากแล้วมันก็มีพอมีแล้วมันก็ทุกข์มีสมบัติก็ทุกข์กับสมบัติมีครอบครัวก็ทุกข์กับครอบครัวมีอะไรมันก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีถ้าไม่มีมันก็ไม่มีทุกข์ที่จะไม่มีได้ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ เพราะความอยากเป็นตัวที่ทำให้เรามามีอะไรต่างๆความอยากจะมีร่างกายมันก็ทำมาให้เรามาเกิดพอเรามีร่างกายแล้วเราก็อยากจะมีลาบยศเสริญอยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไปหาลาบยศเสริญหาข้าวของอะไรต่างๆที่เรามาใช้เสพกันแล้วพอมีเราก็ต้องทุกข์กับมันเพราะหมือนเดียวมันก็ต้องหมดหมดเราก็ต้องหามาใหม่ พราเรายังต้องเสพมันอยู่เรื่อยๆนั่นคือการวิถีชีวิตของสัตว์โลกที่ไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิที่ไปหลงติดอยู่กับความสุขทางร่างกายก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกับร่างกายนี้ไปเรื่อยๆต้องเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆ ร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่มาเสร็มาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขไปแล้วระหว่างทางก่อนจะมากลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทำไว้แล้วพอผลบุญผลบาปได้เราได้ใช้หมดใช้หมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คือมันไม่หมดหรอกคือ ผลบุญผลบาปนี่มันจะเป็นตัวคอยดึงใจเราให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าผลบาปมีกำลังมากกว่าผลบุญมันก็จะดึงเราไปอบายถ้าผลบุญมีกำลังมากกว่าผลบาปมันก็จะดึงเราไปทางสวรรค์แล้วพอผลบุญผลบาปมีกำลังเท่ากันมันก็จะให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่เพราะเวลาเราหาลาภยศสรเสริญหาลูกเสียงกิริย์ลดเราก็หา ด้วยวิธีที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วบางทีเราก็มีอารมณ์ดีเราก็ไปทำบุญบ้างมันก็เลยมีทั้งบุญมีทั้งบาปบางทีเรารวยแล้วพอมีพอกินแล้วบางทีก็เกิดความเมตตาขึ้นมาก็นึกอยากจะทำบุญก็ได้บุญแต่เวลาไม่มีเวลาหานี่บางทีหาต้องโกงก็โกงต้องโกหกก็ต้องโกหกเพื่อที่จะได้ให้ได้ไดเงินได้ทองมา ตนหาก็อาจจะทําบาปแต่พอรวยแล้วก็มาทําบุญที่ว่ามาชดใช้บาปแต่มันชดใช้ไม่ได้บุญก็เป็นส่วนบุญบาปก็เป็นส่วนบาปเพท็งแต่ว่ามันมีมีอิทธิพลต่อกันสมมว่าเราทําบาปเวลาที่เราหาเงินแล้วพอเราได้เงินม า, แ ล, มาแล้วเราก็มาทําบุญถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปบุญก็ยังจะคอยดึงไว้ไม่ให้ไปใช้กรรมก่อน แต่ถ้าเวลาไหนเวลาบุญมันน้อยกว่าบาปบาปมันก็จะดึงให้เราไปใช้ใช้บาปในบายแต่มันก็ยัเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกวราเราจะมาเจอพระพุทธเจ้าเนะี uh ่ย huh. เฉพาะจะมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวที่จะรู้วิธีที่จะให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่อยากจะกลับมาเกิด mm hmm. มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตายก็รู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันมาจากการเกิดใช่ไหมคนเราถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็อยากจะไม่กลับมาเกิดก็หาวิธีหาหาเหตุที่ทําให้มาเกิดว่าเป็นอะไรก็ในที่สุดก็เจอก็คือ้ความอยากนี่ ความอยากสามตัวนี้กามาตัะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแล้วตัวที่จะหยุดความอยากได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาท่านก็เลยออกบวชออกบวชแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิพอ<ม>นั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาตอนต้นก็ไม่รู้ว่าปัญญาเป็นยังไงไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้จนในที่สุดก็ต้องค้นคว้าเองก็พบตายัก พราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทีย่ยงทุกอย่างไม่ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันถึงจะปล่อยได้มันถึงจะปล่อยความอยากได้ที่มันอยากที่มันยึดก็เพราะว่าเราคิดว่าเป็นของเราอยูม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่เราคิดว่าเป็นของเราอยู่เราก็ยึดติดไม่อยากให้มันจากเราไปแต่อยากไม่อยากถึงเวลามันก็ไปจะจากก่อนตายหรือจาก ตอนที่ตายมันก็ต้องจากกันอยู่ดีเฉั้นพอเราเห็นตายรักเราก็จะหยุดความอยากได้ตายรักนี่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าคําว่าอนัตตานี้ไม่มีใครรู้อันนี้จางอาจจะเห็นกันทุกคนเห็นว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการเกิดการดับแต่ไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่ยังเป็นของเราอยู่ อ, อะไรเป็นของเราก็ไม่อยากจะให้มันจากเราไปพอไม่อยากให้มันจากเราไปเราก็ทุกข์คือหลวงพ่อให้ตอนที่จรณาให้ไปละกิ้งในระดับภาวนาบางยมปัญญาหมายถึงว่าให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับจิตคือความรู้สึกของเราที่สมมุติอะไรมากระทบเราก็รู้ว่ามันก็มากระทบเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเราก็คุมมันนี้ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เช่นความโกรธเนี่ยยังไงมันก็โกรธ แต่เรารู้ว่าความโกรธก็เป็นธรรมชาติหนึ่งไม่ใช่เราโกรธใช่ความโกรธนี่มันมีเหตุความโกรธก็เกิดจากความอยากไงทุกอย่างเกิดจากความอยากหมดเพราะเวลาอยากได้อะไรแล้ว ไ, ลไม่ได้ก็โกรธใช่ถ้าไม่อยากได้อะไรแล้วไม่โกรธแล้วให้เราไปรู้เหตุตรงที่ว่าว่าไอ้ตรงจิตมันเกิดอยากหรือมันตรงกระทบหรือมันะจะให้มันรู้ตรงไหนความอยากมันเกิดจากความหลงไงที่มันไปหลงคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ให้ให้ความสุขกับเรา เราจารย์ถึงบอกต้องให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเราจะได้ไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะไม่ทุกข์ถึงต้องเห็นใจรักเนี่ยเว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเสียไปมันสุขก็เปล่า<ม>เวลาได้มาดีใจใช่หไหมพอ<ม> เ, เสียไปเพิบก็ทุกข์แล้ว<ม>แต่ถ้าไม่ได้มาถ้าไม่ได้อยากได้ไม่แปลออมาก็ไม่ทุกข์กับมันแล้ะก็เหมือนเดิมอยู่ที่ศูนย์ คนที่อยู่ที่ศูนย์แล้วไปเอามาแล้วพอศูนย์กลับมาทุกข์ใช่ไหมพอได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์แต่คนที่รู้ว่าทุกข์ไม่ไปเอามาก็ไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมด้วยเหตุนี้ท่านอาจารย์ถึงสอนว่าอุเบกขาก็าอุเบกขาเนี่ยมันคือศูนย์ให้อยู่กับศูนย์ให้อยู่กับศูนย์แต่บางทีความหลวงมันจะดันให้ออกไปหาสิ่งต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาบอกอย่าไป ดึงกลับให้มันอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่ศูนย์อย่าไปถ้าไปเนี่ยไปก็เดี๋ยวว่ไปลงหลุมอีกงเดี๋ยวว่กลับกลับมาที่ศูนย์ก็กลับมาที่ศูนย์เหมือนกันแต่กลับมาแบบทุกข์พอเสียใจพอได้อะไรมาแล้วพอต้องเสียไปก็เสียใจโอ้โหแล้วเวลาจะฝึกอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานานมากหรือมันไม่ได้เกี่ยวกับความนานความไม่น่น มันขึ้นยอยู่กับความเียรเยอะครัความเพียรความฉลาดความอะไรมันคนฉลาดนี่มันมองปุ๊บเข้าใจปั๊บมันก็บรรู้ได้คนบางคนฟังเทศครั้งเดียวก็บรรู้กันนะคนบางคนก็ต้องสอนอยู่เรื่อยๆสอนอยู่เรื่อยๆมันถึงเป็นบัวสี่เหล่าไงเพราะเนี้ยระดับสติปัญญามันสี่ระดับระดับเหนือน้ําเนี่ยพอได้รับแสงสว่าง จากดวงอาทิตย์ก็บานเลยเนี่ยพ อ, อได้ยินได้ฟังทำครั้งเดียวก็ตัดสรุปบรรลุธรรมได้เลยบัวที่สองอยู่ปริมบัวปริ่มน้ําต้องรอยสักวันสองวันให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนต้องฟังเทศบ่อยๆต้องภาวนาบ่อยๆหน่อยมันถึงจะโผล่ขึ้นมาได้บัวที่สาก็อยู่กลางน้ำํำอันนี้ต้องใช้เวลามากหน่อยกับบัวชนิดสองไอ้บัวสุดท้านี่เป็นพวกบัวหมดความหวังเกิดจะเป็นอาหารของปูปลา ไอ้พวกนี้คือไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงว่าเป็นทางไปสู่ความสุขกลับไปคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องไร้าสาระมีเนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนก็มีพ่อมีลูกก็พ่อก็เป็นพุทธแม่ก็เป็นพุทธพยายามดึงลูกให้เข้าวัดเข้าอาตอนที่เป็นเด็ดเดกก็ก็เชื่อฟัง แต่พอโตไปเรียนหนังสือจบป ร, ริญญาก็มาได้ความเห็นว่ า, าศาสนาคาสอนนี่ไม่มีเป็นเพียงอุบายให้คนอยู่กันอย่างไม่เบียดเบียนกันเท่านั้นเขาคิดแค่นั้นเองมันเป็นความคิดก็ไม่ได้พิสูจน์ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้เขาไม่ยอมรับาศาสนาเพราะเขายังไม่เดือดร้อนไงเขายังไม่ทุกข์เขยังคิดว่าวิชาความรู้ทางโลกทำให้เขามีความสุขได้ ตอนนี้เขากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวางชาอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะทำอะไรก็ทำได้เพราะเขามีวิชาความรู้ก็าไปทามาหากินมีรายได้มีเงินเดือนเขาก็มีความสุขอยู่กับความรู้ของเขาความสามารถของเขาแต่พอสักระยะหนึ่งมันจะอิ่มตัวความสุขทางโลกนี้มันจะอิ่มตัวแล้วมันเริ่มเห็นความทุกข์ที่จะเริ่มโผล่ขึ้นมาที่ร่างกายเดี๋ยว ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือคนที่เรารับเป็นนู่นเป็นนี่ตายไปบ้างเป็นอะไรไปบ้างทีนี้มันจะเริ่มทําให้เห็นความทุกข์แล้วตอนนั้นเน่ยทัศนคติอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เราก็เลยบอกพ่อเพราะว่าเอาหนังสือธรรมะเนี่ยไปทิ้งไว้ในบ้านอ่ะมันดีเกินดีเดี๋ยวมันทุกข์มันไม่รู้จะทํามันเปิดอ่านเองอะ่ะแล้วพอเปิดอ่านแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นทางดับทุกข์ได้ แต่ตอนนี้อย่าไปยัดเยียดให้มนะันถ้าไปยัดเยียดมันยิ่งต่อต้านเพราะเขาคิดว่าเขาเขาถูกเราผิดเขาใัางไหมเขาคิดว่าเขาถูกเขาคิดว่าเรื่องของาศาสนานี้เป็นเรื่องงมงายเรื่องหลอกคนโง่ให้อยู่กันอย่างสันติเข า, าคนฉลาดเขามีปริญญาเข้าใจไหมเขา<อ>รู้เรื่องของทางโลกหมดวิทยาศาสตร์เขารู้ โลกโคจรอย่างไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรอย่างไรมีเทพผลต่ออะไรต่ออะไรเขาคิดว่าเข า, เขามีความรู้พอที่จะอยู่อย่างมีความสุขแต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องเจอความผิดหวังเจอความเสียอกเสียใจแล้วเขาจะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรถึงจะดับมันได้ถ้าเขาฉลาดเขาก็จะไปหาหนังสือหาธรรมะถ้าเขาโง่เขาก็อาจจะใช้ ยาเสพติดเป็นเครื่องดับความไม่สบายของเขาพวกดาราทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาทุกข์เขาก็ใช้ยาเสพติดใช้สุรามันเป็นที่พึ่งมันก็ดับได้ชั่วคราวขณะที่เสพมันก็ลืมมันก็ลืมเรื่องปัญหาต่างๆเ ร, งเรื่องความทุกข์ต่างๆแต่พอมันลดยาหมดมันก็ทุกข์ใหม่มันก็ต้องเสพมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เลยตา ย, ตายเพราะยาเสพติดนะ เพราะมันต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เวลาเสพเพื่อที่จะทําให้มันลืมเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นพวกบัวบัวชนิดสุดท้ายพวกนี้จะไม่เข้าห า, าศาสนาก็ไม่ไม่เข้าหาวิ อ, อไม่เข้าหาสัมมาทิฏฐิวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีปัญญาเมื่อตอนจะมาที่นี่ครับท่านได้คุยกับเพื่อน คือผมพยายามบอกว่าจริงๆวิธีปฏิบัติเนี่ยที่จะให้เข้าจิตสงบเนี่ยมันจำเป็นที่เราคือมันต้องมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการเจริญสติดูจิตไอ้สิ่งที่มากระทบแต่ความจริงแต่ละคนมันก็จะมีวิธีที่เหมาะกับของตัวเองใช่ไหมครับคือเราเราจำเป็นต้องเราจำเป็นที่จะต้องคือสมาธิเนี่ยเราอาจจะนั่ง โดยที่เราไม่ต้องเอ า, เอาขาเขามันนั่งที่เขาเป็นทัศสมาธิแบบที่พระท่านนั่งอะนะฮะคือเรานั่งสงบสงบเรารู้ว่าจิตเราอยู่กับความรู้สึกพุโทโธอันนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ <S <S คือ ม, มันไม่ได้มีวิธีแบบมันต้องมีแบบเช่นต้องยกเดินอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันต้องมีแบบมีโมเดลของมันหรือไม่จําเป็นแล้วแต่ว่าอะไรที่เป็นจิตสงบเราก็ทําให้ มันมีหลายวิธีไงที่เมื่อกี้บอกกรรมฐานสีน่สิบสี่สิบวิธีวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ใจเรานิ่งให้สงบหยุดความคิดให้ได้เป้าหมายต้องหยุดความคิดเวิธีที่สองคือหยุดความคิดอย่าไปคิดอะไรให้รู้เฉยๆใจเรานี่มีสองส่วนมีส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้ส่วนที่คิดนี้ทำให้ใจเราไม่สงบเราต้องหยุดส่วนที่คิดแล้วให้เหลือแต่ส่วนที่รู้ ให้รู้เฉยเฉยเห็นอะไนี่แปลว่ารู้กระทบรู้ทุกอย่างอ่ะเห็นรู้ทุกอย่างอ่ะรู้อะไรก็รู้รู้ภาพรู้เสียงรู้กลิ่นแต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันสัพแต่ว่ารู้ออนั่นแหะมันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาถ้าหยุดความคิดได้มันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาหมายว่าถ้าเรารู้แล้วเราเริ่มปรุงมันก็จะยากจริงครับก็ต้องหยุดตรงไอ้ที่มันตกปรุงนั่นไมาให้มันตรงไม่ใ้รูยบปรุงอ่าหย่าปรุงให้รู้เฉยเฉย รู้แล้วเราอย่าไปลากอย่าไปชังกับสิ่งที่รู้นะพอได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงพอเขาด่าก็รู้ว่าเขาด่าแต่อย่าไปปรุงว่าเขาด่าเราอย่าคิดต่อบอย่าคิดตออย่าตอบโต้พูดง่ายๆอย่ามีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เรามะที่เราสัมผัสรับรู้จะมิจจะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้กรรมฐานสี่สบวิธีนี้สร้างขึ้นมาวิธีใดวิธีหนึ่ง ใเช่นท่องพุโทโธไปก่อนก็ได้ถ้าใจเรายังวอกแวกอยู่พอได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นก็เกิดความอยากขึ้นมานี้เราก็ต้องใช้พุโทโธดึงกลับมาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเฉยได้หรือใช้วิธีอื่นก็ได้บางคนก็ใช้ก้าวเนาวางหนาย่องหนา อ, อันนี้ก็เป็นของเขาวิธีนี่คือนี่มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล้วโดยปกติเขาไม่ทําแบบนี้เข า, าไม่ได้ทําแบบช้าๆหรอกเขาทําแบบธรรมดาคุณเดินไปก็ให้คุณรู้ว่าคุณกําลังเดินแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหร้รู้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบั น, นออย่างนั้นถึงเรียกว่ามีสติสติคือการดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันคือสรุปง่ายๆไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่ง จะนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือพุทโธก็ได้แล้วถ้ามันไม่คิดตุงแต่งมันมันรู้อยู่กับลมรู้อยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็หลั่งเข้าสู่ความสงบเหมือนตกหลุมตกบ่อมันเวลาเข้าจริงๆมันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจพบกับความภาวะที่เราไม่เคยพบมาก่อนความว่างของจิตความเบาของจิตความสงบของจิตอันนี้มันจะทําให้เรามีกําลังใจ ว่าโอนี่แหละคือสวรรค์แท้ๆสวรรค์ในอกนรกในใจนี่ก็อยู่ส่วนใหญ่ล้วอยู่ในนรกนานาถึงจะเข้าสวรรค์ทันทีแต่เรากลับไปหลงคิดว่านรกนี้เป็นสวรรค์ <c oughs> เวลาได้มาก็ดีใจดีใจแล้วก็เครียดกับสิ่งที่ได้มาอย่าเราต้องทำใจให้สงบให้ได้ถ้าสงบครั้งเดียวแล้วทีนี้เราจะรู้ว่าอะไรเป็นนรกรู้ว่าอะไรเป็นสวรรค์ เราก็จะตัดพวกนรกออกไปพวกราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรถนี่มันเป็นนรกทั้งนั้นอ่ะที่เราวุ่นวายกันทุกวันนี้วุ่นวายกับเรื่องอะไรก็เรื่องราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรถเนี่ยวุ่นวายกันไปเนี่ยขับรถติดท้องบนท้องถนนก็เอาเออกไปบนท้องถนนไปเพื่อทําอะไรก็ไปหาราบยศสารเสรือรูปเสียงกลิ่นรถจะไม่แห่ใช่ไหมคนที่มีความสุขจากความสงบก็อยู่ในป่านั่งสมาธิสบายกว่าไม่ต้องมีรถไม่ต้อง ไม่ต้องเสียเงินเติมน้ำมันไม่ต้องไปติดกันไปเครีย์กบุนท้องถนนมันดีไม่ดีก็ไปข่ากันบนท้องถนนนะสมัยนี้ใช่ไหมขับรถปาดหน้ากันหน่อยก็เดี๋ยวก็ชักปืนออกมายิงกันแล้วน่นอยู่ในนรกกันไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นสวรรค์กันถ้าถ้าใครยังนั่งสมาธิไม่สงบนี่ยังจะไม่ยังไม่เข้าใจคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริง ถ้าใจสงบเมื่อไหร่จะเข้าใจทุกบททุกบาตรทุกคําสอนเลยว่าอ๋อสอนมาเพื่อให้มาถึงจุดนี้ให้มาเจอตัวนี้เจอความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะ ด, ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเยให้เจอตัวนี้ให้ได้ถ้าเจอตัวนี้ได้แล้วมันก็จะเริ่มเปิดวิถีชีวิตแล้วเคยไปหาลาบยศเจรเสริญเนี่ยมันก็เริ่มตัดล้ว ตัดไปเรื่อยๆแล้วก็หา ย, หายเวลามาทําความสงบให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็บวชได้เป็งการถือศีลแปดเลยผู้นี้ก็เท่ากับเป็นการฝึกเหมือนเป็นนักบวชเหมือนกันนะใช่หมช่ศีลตปก็เป็ น, นเบื้องต้นคือให้เราให้เราลองชิมลางไว้ก่อนไงใช่มันพัก็ลองถือศีลแปดสักวันหนึ่ง ก็เอามามาลองทางนี้ดูว่าชีวิตแบบนักบวชเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้สัมผัสแล้วพอเราได้ได้ชิมรสแห่งธรรมล้วก็อาจจะเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วก็จะรักษาสิ้นแปเพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งวันเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันแล้วต่อไปมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนจะรักษาได้ทุกวันแล้วมันก็ต้องตัดภารกิจทางโลกให้มันน้อยลงไปน้อยลงไป พรถ้าเราเริ่มปฏิบัติธรรมเราจะใช้เงินน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ <S <S ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปหาเงินหาทองให้มากมายกายกองวามอย่างก็จะลดลงอบางทีเงินที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะพออาจจะไม่ต้องทํางานแล้วก็ได้อถ้าเราไม่ใช้เงินตามความอยากถ้าใช้เงินเฉพาะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันไม่กี่ตังหรอกใช่ไหมมันหมดไปมากกว่ากับของให้ของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็นต่างๆของให้เรามีหน้ามีตากัน ขอให้เรามีความสุขกันทางตาหูจมูกลิ้นกาย้นต้องปฏิบัติคือเพียงแต่ศึกษาเพียงแต่ได้ยินได้ฟังนี่มันมันยังไม่ได้ไปเปลี่ยนสภาพจิตใจของเราสภาพจิตใจของเรามันต้องได้รับการปฏิบัติไดร้รับการเปลี่ยนวิถีดาเนิน อยากการออกไปทางราบยุศสรรเสริญสุขให้มันดึงกลับเข้ามาให้เข้าสู่ความสงบให้ได้มันก็ต้องไปหาเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปปีกวิเวกอยู่ที่ไม่มีใครมารบกวนการเจริญสติของเราถ้าอยู่ตรงที่มีเหตุการณ์มีคนมีอะไรมันเดี๋ยวใจมันลอยไปละใจมันจะถูกเหตุการณ์ด่างดึงไปเห็นคนนั้นใจมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นได้ยินเสียงก็จะไปคิดถึงเสียง มันถึงต้องมาอยู่ที่แบบนี้เพราะที่นี่เสียงกับภาพมันไม่มีความหมายอะไรมันไม่มันไม่ดูดใจเหมือนกับเสียงกับภาพของคนที่อยู่ในในในเมืองเนี่ยภาพและเสียงในเมืองนี่พอเห็นปรับใจนี่มันดูดไปเลยเคริ้มไปเลยบางทีเห็นภาพโฆษณานี่ก็เคลิ้มไปแล้วเค้าโฆษณาบ้านก็ปุงฝันไปละฝันอยากจะได้บ้านขึ้นมาเพราโฆษณาสินค้าอะไร ที่ชอบก็ฝันอยากจะได้ขึ้นมาใจมันก็จะลอยไปมันจะไม่อยู่ปัจจุบันนะมันต้องมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ใช้ถ้ามันยังลอยก็ต้องใช้พุโทโธหนึ่งเอาไว้หรือใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็เฝ้าดูอยู่ ก, กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วอย่างนี้มันจะนิ่งแล้วพอนั่งสมาธิมันก็จะรวม มันก็จะสงบแล้วมันก็จะพบกับความสุขอีกแบบหนึง่งเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะความสุขนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่มีสติดึงจิตให้สงบดึงจิตไม่ให้คิดปรุงแต่งให้นิ่งให้รวมเป็นหนึ่งให้สักตวัรู้ ให้เป็นอุเบกขานั้นเองอันนี้แหละที่ทุกคนมักจะมองข้ามมันคนที่มาปฏิบัติเลื่อไปศึกษาเท่าที่ได้ยินมักจะคิดว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันใช้ปัญญาเลยดูจิตเลยดูแลหยุดมันได้เปล่าเวลาเครียดหยุดมันได้เปล่าเวลามันอยากหยุดไม่ได้เปล่าแล้วดูไปทำไมใช่ไหมไม่ได้หรอกมันต้องมีเครื่องมือต้องสร้างเครื่องมือหยุดมัน เครื่องมือก็คือเนี่ยสติสมาธิปัญญาสามตัวเนี่ยที่จะเป็นเครื่องมือที่จะหยุดจิตได้ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาแล้วนั่นหละถึงเวลาดูจิตได้นะเราสามารถดูมันได้แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันอยากปั๊บตัดมันได้เลยมันโกรธปัาบตัดมันได้มันหลงปัาบตัดมันได้แต่ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาดูไปก็เท่านั้นแหละเหมือนกับไป ไปต่อสู้ในสมอระพุมิก็ไม่ให้อาวุธไปไปทําไมปืนก็ไม่มีมีดก็ไม่มีเราจะไปสู้กับข้าศึกศัตรูไหวเลยใช่ไหมข้าศึกศัตรูของพวกเราก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วถ้าเราไม่มีอาวุธเราจะไปสู้กั น, นยังไงดูมันก็ได้แดดดูเฉยๆมันอาจจะหยุดกึ๊หนึ่งก็ได้สมมติเวลาโกรธถ้ารู้ว่าโกรธนะมันก็หยุดพอพอเผลอปป๊บเดี๋ยวมักลับมาใหม่แล พอรู้ว่าอยากก็พอพอรู้ว่าอยากก็หยุดปั๊บเดียวเดี๋ยวก็อยากใหม่แล้วอยากบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวอยู่ดีเดี๋ยวก็สู้ความอยากไม่ได้เช่นคนอยากเด่มสุลาเอาถ้าคุณอยากจะดูจิตแล้วคุณติดสซลาเนี่ยคุณลองดูซิว่าคุณดูจิตแล้วคุณจะหยุดเดิมสุลาได้ไหยถ้าคุณไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวันจะหยุดได้หรอกตอนนั้นก็เห็นว่าอยากอ่ะอยากไมอยาก อยากอยากยาก็หยุดมันเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แล้วมันกลับมาแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆความอยากอ่ะในที่สุดก็ยอมแพ้แปลว่าเทคนิคของหลวงพ่อคือกลับมาสู่เบกขาใช่มันต้องสร้างอุเบกขาต้องสร้างปัญญาสองตัวนี้ปัญญาคือตัวชี้โทษชี้โทษว่าเนี่ยตัวนี้อย่าไปทำตามมันนะแต่ตัวนี้มันร้ายกาศนะมันจะหลอกให้เราไปตกหลุมตกบอ่อไปตกเขว ไปตกนรกนะตัวนี้คือตัวความอยากแล้วเราก็ต้องมีกําลังฝืนมันตัวที่จะฝืนมันได้ก็คืออุเบกขาขั้นต้นเราจรึงต้องมาสร้างอุเบกขาก่อนเมื่อเรามีอุเบกขาแล้วเราก็เอาปัญญาที่พระเจ้าสอนเรานี้มาใช้ตอนนี้เรามีปัญญามากเกินไปนละ้เรารู้หมดรู้ว่าทุกเกิดจากการมารฐนหาภาวะฐาหาวิภาวะฐาหาแต่เราหยุดมันไม่ได้ว่าเราไม่มีเบรกไม่มีอุเบกขา ไม่ใช้ไม่เป็นนะครับงั้นเราต้องมาใช้มาสร้างเครื่องมือที่จะหยุดมันก่อนคือเบรกก็คือเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วทีนี้พออยากกินขนมปับ๊บอะยังไม่ถึงเวลากินอยากกินเลยเราจะกินตามเวลากินอาหารตามเวลากินอะไราตามเวลาเหมือนกินยานอกเวลาจะไม่กินถ้ามันจะกินปับก็รู้ว่าเป็นความอยากแล้ว ถ้ามีปัญญาบอกอย่า ก, กินนี่ไม่ใช่เวลากิน mm hmm. กินแล้วเป็นความอยากมันก็จะอยากกินไปเรื่อยๆ mm hmm. วเวลาไม่ได้กินก็จะทุกข์ mm hmm. มันต้องเห็นทุกข์เห็นว่าการทําตามความอยากไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปเจอความทุกข์เวลาอยากแล้วไม่ได้ก็จะทุกข์หรือเวลาเสียสิ่งที่ได้มาไปก็จะทุกข์ mm hmm. เวลาดูแลรักษาก็ทุกข์ มันจะวิ่งไปหาความทุกข์กัน อ, อย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาต้องชี้ต้องสอนใจให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีปัญญากิเลอมันจะเหลอกว่าเป็นสุขเฮ้ยได้มาดีเนาะได้อย่างง้นได้อย่างงี้มาดีนาะได้เงินมาได้เล่ามได้รวยมีหน้ามีตาดีนาะก็จะคิดอย่างนั้นอยู่เดียวแต่ไม่คิดว่า เ, าเวลามันหมดไปจะทํำยังไงมันดีไปเดียวเดียวเดี๋ยวกับไปแก่กลับไปกับไปไหว้สังเายต่อ ใช่แล้วไม่พอใช่ไหมได้เท่าไหร่ก็ไม่พอการเขา้าใจแล้วยังปัญญาสามระดับระดับแรกก็คือเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรก็ต้องศึกษาจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าการฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้สูตรตรมยปัญญาเราจะได้ฟังอริยสัจสี่รู้ว่าทุกเกิดจากความอยากรู้ว่าการดับความอยากก็ต้องดับดับด้วยศีลสมาธิปัญญา พราะเรารู้แล้วที่ขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราก็จะเราก็จะได้ปัญญาขั้นระดับที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะเราจะมีสมาธิมีปัญญาควบ ค, คู่กันมันก็จะเป็นภาวนามาย์ปัญญาและกรารเลึกถึงคําสอนของของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นจินตามัยปัญญาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไร เราต้องจเจริญสีนสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่พิจารณาไม่เตือนใจอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวลืมฟังเทศทน์เดียวพอกลับไปเจองานมีคนเสนอข้อเสนอดีเสนอให้ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ลืมสีนสมาธิปัญญาไปแนละแต่ถ้าเราคอยเตือนอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องจเจริญสีนสมาธิปัญญาเพราะเราต้องการดับความทุกข์ ถ้าเราไปเจริญลาบยศสรรเสริญเราก็ไปสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นเห็นพอถ้าเรามีถ้าเรามีจินตานมยพปัญญาพอใครมาเสนองานร้อยล้านพันล้านลราบอกว่าไม่เอาละตอนนี้อยากจะมาเจริญสีนสมาธิปัญญาดีกว่าแต่ถ้าไม่มีจินตานมยพปัญญาพังเทศของเรียนมันก็ลืมได้ก็เลยต้องเอามาพิจมาเตือนมาสอนใจอยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าจินตานมยพปัญญาคิดอยู่เรื่อยไง คิดว่าหน้าที่ของเราก็คือการมาเจริญสีนสมาธิปัญญาไม่ใช่มาหาลาบยศสรรเสริญเวลาใครเสนอลาบมาให้เราเราก็ไม่เอาแล้วมีคอนแทคใหม่มีโครงการใหม่อยาได้เงินร้อยล้านพันล้านเราไม่เอาล้อยากจะได้ศีนสมาธิปัญญามากกว่าเราก็จะได้ไปอยู่วัดได้ถ้าเราไปรับเงินโครงการร้อยล้านพันล้านเราก็จะไม่มีเวลาไปเจริญสีนสมาธิปัญญา มันต้องมีจินตาหลังจากได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมเพราะมันลืมง่ายพอฟังเทศเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอไปทํางานทําการไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมากบไปไสิ่งที่เราเรียนที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเดี๋ยวเดียวมันก็ลืมไปหมดอ่ะท่านึงต้องบอกว่าต้องคอยฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างน้ยสมัยก่อนก็ที่ด้านหนึ่งครั้งเพราะสมัยก่อนมันต้องไปวัดถึงจะได้ฟังธรรมได้ เพราะสมัยก่อนไม่มีสื่อไม่มีหนังสือไม่มีซีดีก็เลยต้องรอวันพระวันพระวันหยุดวันวันหยุดทำงานเพื่อจะได้ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เอาธรรมะมาเตือนใจว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงคืออะไรกันแน่แต่เราก็ต้องทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง่กลัวว่าเราจะเหลอคงจะลืมไปทำจนกทั่งลืมหน้าที่ที่แท้จริงก็เลยต้องกลับไปฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย แล้วเวลากลับมาบ้านก็ต้องคิดอยู่เรื่อยสมัยนี้เราก็สามารถทังธรรมได้บ่อย ท, ทุกวันทุกเวลาแล้วก็เตือนใจเราได้ตลอดเวลาว่างานที่แท้จริงของเราคืองานกำจัดความทุกข์กำจัดกิเลสตัณหาด้วยการเจริญสีนสมาธิปัญญานี่เรียกว่าจินตามยภาัญญาให้คิดค่ค่ควรอยู่บ่อยบ่อย เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นี่สิ่งที่เราต้องปฏิบัติคืออะไรกันแนะ่เมื่อเราเราไม่หลงไม่ลืมเวลามีอะไรมาหลอกเราเราจะได้ไม่หลงไม่ไหลาตามมนะันเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวไปเจอผู้หญิงสวยๆหน้าตาดีๆก็มาหลอกมาล่อหน่อยก็ไปกับเขาละแทนที่จะไปรักษาศีลแปก็ไม่มีละรักษาไม่ได้ละ แทนที่จะไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งล้ไปเที่ยวกันอีนิ<ด>เพลินไปเนี่ย <laughs> มันต้องมีจิตตาคอยเตือนอยู่ยเรื่อยว่าหน้าที่ของเราคือถิ่นสมาธิปัญญาเราว่าไม่ใช่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพอเรามีอะไรเตือนเราก็จะได้ไปปฏิบัติพอปฏิบัติเราก็จะได้สมาธิได้ปัญญา มันก็จะเป็นภาวนามยะปัญญาล้วพอมีสมาธิแล้วมีปัญญามันก็จะเป็นภาวนามยะปัญญาพอเจอกิเลสตัณหาตัวไหนก็ตัดได้ ท, ทันทีพอสมควรแก่เวลานนะชักจะเหนื่อยก็อย่าให้พรอนนะออแอบดูบานบรรยากาศบ้างมิฉะนั้นมันก็เหมือนภาพนิ่งอะ่ะใช่หม มันต้องมีหมุนไม่มั่งเลยนั้นดูจะได้ไม่เบื่อให้ดูบรรยากาศหน่อยตอนนี้ก็ออกอาการสดใน facebook แล้วก็มีเ facebook ที่ไหนคุณก็เปิดดูได้เลยตอนนี้คนที่อเมริกาก็ดูออสเตรเลียก็ดูสวีเดนก็ดูมีคนส่งข้อความมาบอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มีส่งข้อความมาถามด้วยส่งคําถามมาถาม ใครยังอยากจะรายงานก็รายงานได้นะเพราะตอนนี้กำลังอยู่ขั้นทดลองอยู่อยากให้รายงานว่าเสียงกับภาพเป็นยังไงขาดบ้างหรือไม่ขาดบ้างชัดหรือไม่ชัดดังหรือไม่ดังเสียงอาจจะไม่ดังเพราะว่าลำโพงมันอยู่ที่เราคนเดียวแต่ต่อไปถ้ามีลาโพงตัวใหญ่ที่มีฟังเสียงได้กว้างไกลต่อไปมันก็จะได้ยินทั่วกันหมด มีคำถามไหมวันนี้มีครับอาจารย์เชิญเลยถามนะสำหรับผู้รับชมนะครับคําถามอย่าเพิ่งถามเยอะนะครับเดี๋ยวขอ <st arts> เก่าของเก่ากันับ <S <S อเอาเป็นตอนตอนเข้ามาเร็วเลยครับพระอาจารย์ครับมีคุณกมนชนกนะครับถากราบขอพระอาจารย์สอนเรื่องการเจริญอนิจจสัญญา อันนี้จะสัญญากันนี่จังเลให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เรารักโดยเฉพาะของที่เรารักนะี่ยมันไม่แน่นอนวันดีคือดีมันอาจจะจากเราไปได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้อันนี่จังหมดเข้าใจไหมพอเราอยู่ๆอ ย, อยู่ๆก็หายไปตายไปหรือเจ็บไข้ได้ป่วยพี่กนพี่การไป อยู่ๆเงินทองที่ฝากไว้ในธนาคารก็ถูกเขาเขาโมยไปหมดมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นความไม่แน่นอนเนั้นเราอย่าไปตายใจกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปหวังพึ่งเขามากจนเกินไปต้องต้องคิดว่าถ้าไม่มีเขาเราต้องอยู่ได้ถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้เราก็จะกระโดดตึกตายกันฆ่าตัวตายกันบางคนนี้พอล่มจม พอล่มละลายก็ไม่อยากจะอยู่ล้วฆ่าตัวตายกันเพราะไม่คิดถึงอนิจจายู่เรื่อยๆต้องคิดถึงอนิจจายู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมต้องมีการพลาดพลาดจากกันไม่ช้าก็เร็วถ้าคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้ฝึกอยู่แบบไม่ต้องมีเขาก็ได้เช่นมาอยู่วัดนี่ก็มาฝึกแบบไม่ต้องยิมมีใคร เวลามาอยู่วันนี้ไม่ต้องมีอะไรมีข้าวกินอย่างเดียวก็พอแต่อยู่บ้านมันต้องมีนูน่นมีนี่มีคนนูน้นคนนี้มีอะไรเต็มไปหมดยังต้องมาหัดอยู่แบบไม่มีบ้างหัดอดบ้างอดข้าวเย็นบ้างอย่างนี้จะรู้ว่าไม่ตายหรอกไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่ตายอดมือ้อกินมื้อไม่ตายหรอกแล้วจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเวลาที่เราไม่มีอะไร นี่คืออนีจจะให้คิดถึงความเสื่อมของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คาถามข้อต่อไปจากคุณจิรยุทธ์นะครับถ้ามีคนประเภทหนึ่งคือชอบกล่าวว่าคนที่อยู่คนละฝ่ายกับตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีโดยที่เขาไม่เคยรู้จักกันเลยเราควรช่วยเหลือปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เขาได้เปลี่ยนความคิดได้ครับ ก็อยู่ที่เขาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แล้วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือก็อย่าไปเสือก<笑><笑>เดี๋ยวดอนเขาเดีเ๋ยวดอนเขาชัดเจนชัดเจนคำถามข้อต่อไปจะคุณไมเลอร์เกตนะครับหลังจากปฏิบัติพบว่าความอยากได้อยากมีความหลงความโลภลดลง มีสติในการปฏิบัติมากขึ้นกินเลสน้อยลงมากแต่ยังอยู่ในทางโลกอยู่ต้องทำมาหากินดูแลธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันช่วงชิงให้ได้ซึ่งความสำเร็จซึ่งสวนทางกันกับการปฏิบัติของพระอาจารย์ได้โปรดแนะนำการแบ่งความสมดุลและทางโลกและทาธรรมด้วยครับเราก็ต้องถามตัว เ, เราเองว่าเราไปเราไปหามันทาไม เราต้องการเงินทองมากมายขนาดนั้นหรือไม่การที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขนี้เราจาเป็นจะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรือไม่ต้องมีกิจการต่างๆหรือไม่ถ้าคำตอบคือว่าไม่ไม่ต้องเราก็ต้องหาวิธีปลดเปื้อนมันไปยกให้คนอื่นไปถ้ามีพี่มีน้องมีใครมารับหน้าที่ทำแทนได้ก็ให้เขาไปเราก็ขอเอาเงินเล็ ก, ลกๆน้อย ๆ, ๆพอที่เราไปใช้ อยู่แล้วก็เอาไปปฏิบัติธรรมก็พอเราต้องการเวลาเวลานี่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าไม่มีเวลาต่อให้มีเงินเป็นแสนล้านก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสิ่งที่เราต้องการก็คือเวลาแล้วเวลานี่เราก็ต้องดึงออกมาจากการที่เราเอาไปใช้กับสิ่งที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่แล้ว เช่นสมบัติต่างๆเงินทองที่เราใช้ไปสิบชาติก็ใช้ไม่หมดนี่เอาไปทำไมเราต้องรู้จักจัดการเวลารู้จักจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราควรจะมีว่าอะไรสำคัญกว่ากันว่าเงินทองสำคัญกว่าเวลาที่เราจะไปปฏิบัติหรือไม่ระหว่างเงินทองกับธรรมะอันไหนสำคัญกว่ากันถ้าธรรมะสาคัญกว่ากันเราก็ต้องสละเงินทองไป อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องคิดอย่างนี้ท่านถึงสะละราชสมบัติได้ถ้าไม่เช่นนั้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยท่านก็ติดอยู่กับในวังเนี่ยเพราะท่านก็มีลูกมีภรรยามีทรัพย์มีสมบัติมีหน้าที่การงานอะไรต่างๆเต็มเหมือนกับพวกเราเนี่ยแต่ท่านเห็นความสําคัญของการปฏิบัติธรรมนี้สําคัญกว่าการที่จะหาเงินหาทองหรือดูแลรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ดังเราต้องใช้ปัญญาแยกแยะความสําคัญให้รู้ว่าอันไหนสําคัญกว่ากันแล้วเราจะได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําคําถามข้อต่อไปจากคุณชุติการนะครับบางทีพยายามจะคิดแต่เรื่องดีๆแต่ก็เหมือนมีอีกคนในตัวพยายามให้คิดไม่ดีเวลาทําบุญกับพระตัก บ, บาตรแล้วเจอพระที่รอคนเดินวนในบาทมีแต่เงิน ก็อดคิดไม่ดีไม่ได้ได้แต่บอกตัวเองว่าหยุดหยุดกลัวตกนรกพยายามฝืนตัวเองทุกครั้งที่คิดไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเลยค่ะเหมือนต้องสู้กับความคิดตัวเองก็มันเป็นการสะสมความคิดเหล่านี้มาในอดีตมันก็เลยเป็นนิสัยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นต้นก็หยุดมันก่อนเช่นเวลาคิดไม่ดีก็ใช้พุโทโธพุโทโธ เข้ามาหยุดมันก่อนแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนว่าเขาจะดีเขาจะชั่วมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็ควรจะรู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าควรจะคบกับเขาหรือไม่ควรครบกับเขาเท่านั้นเองแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้แล้วเราไปโกรธไปเกลียดเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ใหเขาดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำให้เราใจไม่ไม่สบายไปเปล่า ยางนั้นขั้นต้นต้องหยุดความคิดไม่ดีก่อนเช่นใช้พุโทโธพุโทโธขั้นที่สองก็สอนใจว่าต่อไปนี้เราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเขาจะดีเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเ ป, เป็นแต่ว่าเราเราควรจะรู้ว่าเขาดีแร้วไม่ดีเท่านั้นเพื่อเราจะได้รู้เราจะได้รู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับเขาถ้าเขาไม่ดีเราก็พยายามอยู่ห่างเขาอย่าไปคบค้าสมาคมกับเขาถ้าเขาดีเราก็คบค้ากับสมาคมกับเขาได้ ใ ห, ให้ฝึกหัดควบคุมใจหยุดความคิดที่ไม่ดีได้พุโทโธพุโทโธเวลาเกิดความคิดไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วพยายามอย่าไปมองไปมองเขาไม่มองการกระทาของเขาแล้วเดี๋ยวพอเราลืมแล้วเราก็จะหยุดคิดได้คำถามข้อต่อไปเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกับคำถามที่ผ่านมานะครับจากคุณนานะครับถ้าต้องเจอคนที่ชอบ<ม>เห็นแก่ตัวมากๆ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องเจอบ่อยๆควรทําใจอย่างไรคะก็ทําใจเฉยๆอยุอ <c oughs> เบกขาพุทโธพุทโธไป <c oughs> ปล่อยเขาไปเมื่อนคิดเขาว่าที่ว่าเขาเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ฝนจะตกก็ปล่อยฝนตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปคนก็เหมือนกันคนดีคนไม่ดีในเราก็ต้องเจอในสังคมมันมีปนกันไปแต่ใจของเรา เฉยๆกับมันเพื่อให้สักแต่ว่ารู้แหะถ้ามีอุเบกขามันก็จะรู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆไม่ได้ก็สแสดงว่าไม่มีสติก็ต้องหมั่นเจริญพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆน่ะมันนั่งสมาธิบ่อยๆคําถามข้อต่อไปจะคุณมาละเกตอีกครั้งนะครับรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เบื่อทั้งโลกเบื่อความวุ่นวายเบื่อความปรุงแต่งทรัพย์ที่หามาได้ไม่รู้สึกถึงความภูมิใจ ไม่อยากได้เงินทั้งๆที่ยังต้องใช้ชีวิตทางโลกต่อไปขอพระอาจารย์ช่วยให้สติด้วยครับคือทางเรื่องของอารมณ์นี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็เบื่อบางทีก็อยากเวลามีอะไรจำเจมันก็เบื่อพอเวลาไม่มีมันปั๊บก็อยากขึ้นมาใหม่กขาึงเรียกว่าเบื่อๆอยากๆถ้ามันเบื่อก็โยนทิ้งไปเจของที่เราเบื่อแล้วเดี๋ยวพอเราไม่มีเดี๋ยวเราก็อยากเช่นถ้าเราเบื่อ กับทรัพย์สมบัติเบื่อกับสิ่งที่เรามีอยู่ก็เราไปไปอยู่วัดสักพักหนึ่งสิพอไปอยู่วัดสักพักเดี๋ยวก็อยากจะกลับมาละไปบวชสักเดือนสองเดือนก็ได้พอไปพอไปอยู่วัดสักพักเดี๋ยวของที่เราเคยมีนี่กลายเป็นของหน้าอยากขึ้นมาใหม่ลนะแต่เวลาอยู่กับมันจำเจมันก็เลยรู้สึกเบื่อขึ้นมานนเองนี่คือความสุขทางโลกมันจะไม่มีความสมดุลไม่มีความพอไม่มีก็อยากได้พอได้มาแล้วก็เบื่อ มันก็วนไปวนมาอย่างนี้งั้นให้เห็นโทษว่าความสุขของทางโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่มีวันที่จะหนีพ้นจากความเบื่อไปได้ถ้าอยากจะหนีพ้นจากความเบื่อก็ต้องไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ความสงบนี้ไม่มีวันเบื่อร้อยปีพันปีนี่มันจะให้เราความสุขสดชื่นสบายตลอดเวลาไม่มีรู้ไม่มีความรู้สึกเบื่อกับมันเลย ยิ่ถ้าอยากจะเจอความสุขที่ไม่มีวันเบื่อหน่ายก็ต้องมาฝึกทําใจให้สงบกันมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันไปอยู่ที่สงบกันแล้วต่อไปใจสงบแล้วก็จะไม่เบื่อแล้วจะไม่อยากได้อะไรอยู่พระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรุปแล้วไม่เคยกลับไปอยู่ในวังอีกต่อไปท่านอยู่กับความสงบของท่านตลอด คำถามข้อต่อไปจากคุณอะมอนนะครับสมมุติจะเข้านิพพานเราจะเป็นการทิ้งพ่อแม่พี่น้องของเราหรือไม่ครับเพราะพวกเขาถ้าบารมีไม่ถึงยังคงทนทุกข์ในสังสารวัตรเรามีทางพอช่วยเหลือยังไงในการพาคนที่เรารักพ้นในการเวียนว่ายตายเกิดครับ ขอให้เราไปให้ได้ก่อนเถิดยังไม่ต้องไปกัวงวลกันเรื่องของคนอื่นหรอกอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ไปทําเรื่องของท่านก่อนท่านไปปฏิบัติจนท่านได้ถึงนิพพานแล้วท่านก็กลับมาช่วยคนอื่นต่อพอท่านบรรลุตัดสรู้แล้วเขาก็นิมนต์ท่านกลับไปในวงังท่านก็ไปเทศสอนพอเทศสอนแล้วก็คนในวังก็เกิดศรัทธาขอบวชกันเยอะแยะญาติพี่น้องบวชกันเยอะแยะไปหมดแม่ของพระพุทธเจ้าก็ขอบวชเป็นภิกษุณี ยางขั้นต้นยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องของคนอื่น่ะกังวลเรื่องของเราก่อนว่าเราไปได้หรือไม่ได้นะเอาตัวเราให้รอดก่อนช่วยตัวเราให้ได้ก่อนเมื่อช่วยตัวเราได้แล้วก็ไปช่วยช่วยคนอื่นต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณจักรพล น, นะครับเวลานั่งสมาธิแล้วปวดขามากครับพยายามฝืนแล้วแต่กลัวว่าเลือดจะตีไม่เคยพนช่วงนี้ไปได้เลยจะทำยังไงดีครับ ก็ขัน้นขั้นที่หนึ่งก็คือต้องตัดความกลัวเลือดจะตีว่ามันไม่ตีหรอกคนก็นั่งสมาธิเป็นคืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ตัวที่เป็นปัญหาแล้วตัวที่สองที่เราจะต้องทําก็คือให้มีสติอยู่กับพุโทโธอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้าจิตมีพุโทโธอยู่กับพุโทโธไปมันจะเลือนความเจ็บแล้วมันก็จะไม่มันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ที่มันอยู่กับความเจ็บไม่ได้ก็เพราะใจมันอยากหนีอยากความเจ็บ อยากจะให้ความเจ็บหายมันเลยสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาที่มีกำลังมีมีพลังมากกว่าความทุกข์ของทางร่างกายนี่คือปัญหาที่เรานั่งกันไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้ใจผลิตความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณพรณนะครับการคิดดีพูดดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่คิดร้ายกับผู้อื่นเป็นการถือศีลใช่หรือเปล่าคะศีลมันก็เป็นอย่างนั้นการรักษาศีลก็เพื่อที่ระ ง, งับการกระทำที่เป็นเป็นโทษแก่ผู้อื่นและกับตนเองเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวเวนี การพูดปลดการเสพสุรายามา <c oughs> จะเรียกว่าเป็นศีลก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นความเมตตก็ได้ความเมตตก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นมันก็เป็นตัวที่ทำให้เรามีศีลขึ้นมาเห็นสรุปก็คือใช่คำถามที่ถามมานี้คาตอบก็คือใช่เป็นศีลเป็นความเมตตาคำถามข้อต่อไปจากคุณอานน์นะครับ หลักการเจริญสติที่ดีในชีวิตประจําวันเราควรปฏิบัติอย่างไรถ้แล้วแต่เราจะจะถนัดถ้าเราถนัดกับคำบริกรรมพุโทโธเราก็บริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในการทํางานเราก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้ออย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อฝันให้ดึงใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธเพื่อใจจะได้ว่างใะเย็นจะสบาย พรถ้าปล่อยให้คิดตามเพ้อฝันเพ้อเจอ้ามันอาจจะเกิดความอยากเกิดความเครียดขึ้นมาได้ถ้าเรา ถ, ถ้าเราถนัด ก, กับคําบริกรรมพุทโธแล้วก็ใช้พุทโธถ้าเราไม่ชอบคําบริกรรมเราชอบดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปว่าตอนนี้เรากําลังทำอะไรเนอกําลังกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวกําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ํากําลังเดินก็อยู่กับการเดิน ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายทุกเรียบหมดไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็ก็ได <aucun S 1> <Cel> ้หรือบางคนจะใช้อย่างอื่นก็ได้จะท่องจ ะ, จะเจริญโมนอนุสติก็ได้ว่าตายตายตายตายตายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตายเมาเราตายคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายตายหมดคิดอย่างนี้ไปก็ได้มันมีสี่สิบวิธีน่ะที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบหรือเราชอบสวดมนต์เรก็สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ สวดบทไหนที่เราชอบสวดไปเรื่อยๆเป้าหมายของการกระทาทั้งหมดนี้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดไ ป, ไปปรุงแต่งไปเพิ่ฝันไปเพิ่เจอ้าอะไรท่านั้นเองเพื่อใจจะได้เย็นจะได้สบายและเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบมันก็จะรวมได้คาถามข้อต่อไปจะคุณสุขใจนะครับทาอย่างไรจะฝืนความม่่งระหว่างนั่งสมาธิได้บ้างเจ้าคะ ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินถ้ามันง่วงถ้าเดินยังง่วงอยู่ก็ต้องใช้การอดอาหารหรือผ่อนอาหารเช่นผู้ปฏิบัติสมาธินี้ควรจะอย่างน้อยถือสีนแปดเพรจะได้ลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปมันอาจจะง่วงตอนช่วงกลางวันช่วงที่เรารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆแต่พอบ่ายๆแล้วมันก็จะหายง่วงล้วก็จะสามารถปฏิบัติไปถึงเวลานอนได้ไม่ไม่ง่วงนอน แต่ถ้าเรากินอาหารเย็นนี่เดี๋ยวมันก่อจะห่าง่วงมันก็จะถึงเวลานอนพอดีมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติอย่างผู้ที่ปฏิบัติต้องถือศีลแปดหรือถ้าผู้ปฏิบัติแบบมืออาชีพในบางทีต้องอดอาหารเป็นวันๆเลยก็มีเพราะเวลาอดอาหารแล้วมันจะหิวแล้วมันจะทําให้ไม่ง่วงเราจะทําให้มันไม่ไม่เกียดค้านเราจะทําให้การปฏิบัตินี้เข้มข้นว่าเราจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา พอเวลาหิวนี่ถ้าไม่ปฏิบัติมันจะทรมานแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วใจสงบความหิวจะหายไปความหิวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมหิวที่ใจความหิวที่ร่างกายมันแค่สิบเปอร์เซ็นตท่านั้นเพอความหิวที่ใจหายไปความหิวที่ร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาเขาถึงอดอาหารกันได้แต่ต้องภาวนาต้องปฏิบัติถ้าอดเฉยๆแล้วไม่ภาวนานี่อดไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ ทรมานทนความทรมานใจไม่ได้ดังนั้นต้องใช้วิธีใช้การผ่อนอาหารอนอาหารเลยวิธีหนึ่งก็ไปนั่งในสถานที่น่ากลัวเช่นไปนั่งสมาธิในป่าช้าถ้าไปยืนไปไปที่ไหนที่มันน่ากลัวมันจะไม่มันมันจะไม่ง่วงหรือก็มีอาจารย์บางรูปท่านก็ไปนั่งห น, น้าเหวเลยนั่งปากเหวเลยเวลาท่านหลับสับปังกอกก็หัวทิ่มลงเหวไปเลย มันก็จะไม่ง่วงเพราะความกลัวที่มันจะหัวทิ่มเนี่ยมันจะทําให้มันไม่ง่วงนะก็ต้องคิดหามาตรการที่เหมาะสมกับเราก็แล้วกันครับคําถามมาพอดีเลยครับถามมาใหม่ได้แล้วนะนะคําถามเก่าหมดแล้ว <laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับคําถามคําถามจต่คุณเกียงไกรนะครับท่านผู้ภาวนาผ่านโสดา ปฏิผลแล้วจะทําอย่างไรจึงจะสามารถเจริญในสกิทาคามีมัคและผลได้และการพิจารณาธรรมต่างๆให้ละเอียดขึ้นทําได้อย่างไรครับขอยกตัวอย่างการพิจารณาที่ละเอียดขึ้นด้วยครับคือการผ่านอริยธรรมขั้นต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนตริญญาขั้นต่างๆมันมีข้อสอบเนี่ย ข้อสอบของพระสุวรรบันก็คือต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายพอปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันก็มีข้อสอบขั้นต่อมาขั้นของพระสกิดาคา ม, มีกับขั้นพระอนาคา ม, มีมีข้อสอบเหมือนกันก็คือการอารมณ์การ ม, มาราคะความอยากเสพการการอยากร่วมหลับนอนกับกับผู้อื่นท่านก็สอนให้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย ดูอสุภะของร่างกายดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายเจ่นถ้าเราเห็นตับไตไส้พุงเห็นกะโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกในร่างกายของคนที่เราหลงรักเราก็จะหายความหลงดักการอารมณ์เราก็จะดับไปได้ดังนั้นเราต้องปรเจริญอสุภะมันดูอาการ32หรือมันดูซากศพคิดถึงเวลาที่เขาเป็นซากศพ เวลาเขาเป็นซากศพนี่เรายังอยากจะไปนอนกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยพระพุทธเจ้าให้ภาพรูปหนึ่งที่มีปัญหาเรการอารมณ์นี้ไปพิจารณาซากศพของโสเภณีมีโสเภณีคนหนึ่งที่เขามีชื่อเสียงว่าสวยงามมากพอตายไปพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ไปดูศพของโสเภณีคนนี้พอไปเห็นศพของโสเภณีคนนี้ก็เลยดับการอารมณ์ได้ละการอารมณ์ได้ในขั้นสกิรดาคามีนี้ท่าน ท่านให้ทำเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตคือถ้าสามารถทำให้การอารมณ์นี้เบาบางลงไปได้ก็ถือว่าได้บรรลุขั้นสกิิดาคา ม, มีแต่ยังไม่หมดเบาบางบาก็คือบางเวลาก็เห็นสุภาพบางเวลาก็ไม่เห็นเวลาเห็นก็ไม่มีความอยากเวลาไม่เห็นก็เกิดความอยากขึ้นมาได้อันนี้เรียกว่าขั้นสกิิดาคา ม, มีทาให้การอารมณ์เบาบางลงไป แล้วถ้าสามารถทำให้การมารมหายไปได้หมดเลยไม่มีลงเหลืออยู่ในใจก็จะได้บรรลุขั้นที่สามเรียกว่าขั้นอนาคามีนี่คือทำที่จะเป็นข้อสอบที่เราจะต้องทำกันสาหรับขั้นขั้นที่สองที่สามนี้ต้องพิจารณาอสุภะถึงจะสามารถบรรลุขั้นที่สามได้ขั้นที่ 2, ท 3, สองขั้นที่สามได้ส่วนขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์นี้ก็ต้องพิจารณามานะตรวจ คิดติตัวถือตนพิจารณาอวิชชาตัวหลงที่ยังมีอยู่ในใจพิจารณาความยึดติดอยู่กับความสงบของใจใจจะยึดติดอยู่กับรูปฌานอรูปฌานก็ต้องพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางความยึดติดต่างๆเหล่านี้ปล่อยวางความยึดติดในรูปฌานอรูปฌานปล่อยวางความถือเนื้อถือตัวถือว่ายังมีตัวตนอยู่ใจยังคิดว่ามีตัวตนอยู่ ต้องพิจารณาว่าตัวตนนี้เป็นสมมุติใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองตัวตนที่แท้จริงของใจก็คือตัวรู้ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปตอบโต้ใครเวลาใครข้าด่าเราก็ให้รู้ว่าเขาด่าเราก็พอแล้วก็อวิชาก็คือความหลงที่ยังหลงยึดติดอยู่กับตัวจิตนี้ยังยึด ย, ย, ยึดติดอยู่กับความสุขที่มีอยู่ในจิตนี้ที่ยังเป็นความสุขที่ไม่ ไม่ถาวรเป็นความสุขที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ต้องปล่อยวางความสุขของจิตในระดับนี้ให้ได้แล้วก็จะถึงพระนิพพานได้ถึงจะนุษย์เป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็คือทำขั้นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจะต้องจเจริญไปตามลําดับหลังจากที่พระอาจารย์บอกว่าคําถามเดิมหมดตอนนี้คําถามใหม่มาเยอะมากนะครับช่วยเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้ถามนะครับคําถามข้อต่อไปจากคุณปุญญ ว, วีนะครับ ผมมีสติตามดูที่กายกับใจจิตคลายความยึดมั่นพอสมควรเพราะเห็นอยู่ว่าเป็นเพียงทุกข์ที่เกิดและดับไปเท่านั้นราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปมากพอสมควรเพราะผลของการปฏิบัติจะทําอย่างไรให้จิตมีสติปัญญาที่รู้แจ้งละขาซึ่งราคะโทสะและโมหะครับก็ต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทํานอกจากภารกิจของการดูแลรักษาจิตใจเพียงอย่างเดียวก็ต้องอยู่แบบนักบวชหรือไปอยู่หรือไปบวชเลยถ้ายังบวชไม่ได้อย่างผู้หญิงหาที่บวชไม่ได้ก็หาที่ไหนเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็ปฏิบัติไปผู้ชายถ้าไปบวชได้ก็ไปไปบวชกันเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่บวชมันก็ต้องมีภารกิจทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็จะเสียเวลาไปมาก วันนึ่งทางาน8ปดชั่วโมงเนี่ยเราจะเอาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติทำคำถามข้อต่อไปจากคุณนิกกี้นะครับเมื่อเริ่มนั่งสมาธิเพิ่งเริ่มกำหนดลมหายใจแต่เวทนาปวดต่างๆก็มาทันทีจึงเริ่มพิจารณาความปวดไม่เที่ยงไม่ได้พิจารณาลมหายใจเลยจนครบเวลาที่ตั้งใจไว้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับหรือต้องแก้ไขอย่างไร คือถ้านั่งแล้วใจสงบก็ใช้ได้ถ้าไม่สงบนี้ <c oughs> ก็ต้องหาวิธีที่ทำให้ใจสงบคำถามข้อต่อไปจากคุณเอสทอนดี้นะครับสมัยนี้เกือบหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะข่าวต่างๆนานารวมทั้งเคยไปทำบุญแถววัดบ่อยๆพอวัดได้สร้างกำแพงใหญ่โตก็ไม่คิดอยากจะไปทำบุญ กลับมาคิดเวทนาวัดที่อยู่ไกลชนบทที่เขาไม่มีแบบนี้คำถามแค่นี้เลยครับก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังคือโลกนี้คนที่เข้ามาบวชในศาสนานี้ก็มีนานาจิตตังมีความรู้ความสามารถในธรรมแตกต่างกันไปเขาก็สแสดงฝีมือของเขาออกมาตามความรู้ของเขา ถ้าไหนไม่ถูกต้องตามหลักธรรมล้วก็ปองแทก็แล้วกันว่ามนันเป็นเรื่องของของอนิจจังก็อย่าไปสนใจก็ให้คิดว่าเหมือนกับเราไปซื้อผลไม้เนี่ยผลไม้มันก็มีบางผลก็ก็ดีบางผลก็ไม่ดีแล้วก็เลือกผลที่ดีผลที่ไม่ดีเราก็เขี่ยทิ้งไปถ้าเราเห็นวัดไหนหรือผู้ พระรูปไหนกระทาที่ไม่เหมาะสมกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็อย่าไปสนใจแล้วก็ไปศึกษากับคนที่เขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันคำถามข้อต่อไปจากคุณอดิษักนะครับตอนแรกๆผมกำหนดสติพุทโธอยู่ที่ลมเข้าออกที่จมูกพอทำไปเรื่อยๆสติมันลงไปจับอยู่ที่ช่วงท้องตอนนี้เวลาผมนั่ง จิตมันไปจับอยู่ที่ช่วงท้องแทนผมก็พุทโธที่ช่วงท้องแทนปลายจมูกแล้วผมปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ให้อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมลงทำไปจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่ปลายจมูกก็ได้อยู่ที่หน้าท้องก็ได้ข้อสำคัญขอให้มีขอให้มีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไป นกว่ามันจะสงบมันจะนิ่งคําถามข้อต่อไปจากคุณศิวกรนะครับเวลานั่งสมาธิต้องนั่งให้สงบขนาดไหนถึงจะเริ่มออกมาพิจารณาได้ครับจําเป็นต้องได้ฌานก่อนหรือเปล่าหรือมีวิธีสังเกตยอย่างไรไหมครับคือเวลานั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการเจริญปัญญาเวลานั่งสมาธินี่เราต้องการให้จิตมันนิ่งเวลามันนิ่งอย่าไปยุ่งกับมัน ไอให้มันนิ่งไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเองพอมันถอนออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะไปเจริญปัญญาได้ไปพิจารณาร่างกายพิจารณาลาบยศสารเสรินสุขว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่ขณะที่กำลังทําสมาธิอยู่ไม่ควรที่จะไปพิจารณาทางปัญญาพอออกจากสมาธิมาแล้วจะจิตเริ่มคิดแล้วลุกมาเดินจงกรมหรือมาทำอะไรแล้วก็ใช้ปัญญาได้พิจารณาไป อย่าอย่ามีสมาธิระดับไหนก็สามารถพิจารณาปัญญาได้เพียงแต่ว่าจะได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ที่กำลังของสมาธิถ้าสมาธิมีกำลังมากผลทางปัญญามันก็จะได้มากคือมันจะสามารถตัดกิเลสได้มากถ้าสมาธิมีน้อยมันก็ตัดได้น้อยเพราะกำลังมันน้อยเพราะฉะนั้นสมาธิทุกระดับสามารถสนับสนุนปัญญาในแต่ระดับได้ตามกาลังของสมาธิ คำถามจากท่านเดียวกันนะครับเวลาพิจารณาอสุภะจําเป็นต้องเพ่งภาพศพทุกวันแบบกสินให้ติดตาหรือเปล่าครับหรือแค่พิจารณาเอาเองในความคิดและมีเทคนิคการพิจารณาใหม่ครับก็คือให้ให้เราจําได้ว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเผื่อเวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมาเราจะได้ใช้ความความจำนี้มาดับความอยากดับการมาลลม ถ้าเราดับไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังจําไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังพิจารณาน้อยไปเราต้องพิจารณาจนกระทั่งมันติดตาติดใจนึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นทันทีนึกถึงข้าวสุภาพเมื่อไหร่อยากจะดูตับตายไส้พุงของใครเมื่อไหร่ก็เห็นทันทีนึกขึ้นมาได้ทันทีไม่ใช่พอไปดูหนังไปดูภาพยนตร์นี้ลืมไปหมดเลยตับตายไส้พุงพอไปดูงานงาน งานงานเดินแฟชั่นโชว์มองไม่เห็นก็ดูกเลยมองมองไม่เห็นตับตายไสย้พุงเลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายัางพิจารณาไม่พอถ้าพิจารณาพอแล้วเวลามันเดินไปไหนเห็นใครนี่มันจะเห็นหมดน่ะถ้ามันอยากจะเห็นเมื่อไหร่มันเห็นได้ทันทีนั่นต้องให้มันชำนาญให้มันไม่หลงไม่ลืมให้มันจำได้ตลอดเวลาเวลาจะเริ่มมีปัญหาทางใจแล้วก็กาลังจะอยากแล้วน ะ, ะก็นึกถึงกสุภาพขึ้นมาเลย พอนึกถึงปั๊บมันก็หายไปเลยต้องทันกันเหมือนกับตำรวจกับขโมยเนี่ยตำรวจต้องอยู่ตลอดเวลาต้องเฝ้าดูร้านอยู่ตลอดเวลาพอมีขโมยจะมาขโมยของในร้านตำรวจก็จับเลยนีงจะเรียกว่าทันไม่ใช่ว่าเวลาขโมยขึ้นร้านตำรวจไม่รู้หายไปไหนเวลาไปเห็นภาพสวยๆงามๆไม่รู้ว่าอสุสวะหายไปไหนหมดนี่แสดงว่ายังพิจารณาไม่พอ คำถามข้อต่อไปจากคุณสิริปรียานะครับนั่งสมาธิพุทโธหรือรู้ลมหายใจทำตอนไหนก็ต้องแผ่เมตตาทุกครั้งเลยหรือไม่คะ อ, อ๋อเป็นคนละเรื่องกันการแผ่เมตตานี่เป็นเป็นเป็นเวลาอื่นเวลาเราปฏิบัติสติสมาธิปัญญานี้เราไม่ต้องไปแผ่เมตตาคือการแผ่เมตตานี่เราสามารถแผ่ได้คำว่าแผ่ก็คือให้เรามีความความปรารถนาดี คิดดีต่อผู้อื่นแล้วเวลาแผ่จริงๆก็ต้องเวลาเจอหน้ากันเชนเวลาเจอทครก็ทักทายถามถามสาระทุกสุขดิบสบายดีหรือเป็นยังไงบ้างหรือมีขนมมีอะไรมาก็แบ่งให้เขากินบ้างอันนี้เรียกว่าแผลเมตตาไม่ใช่นั่ ง, น, งนั่งอยู่ที่หน้าผ้าแล้วก็สวดสัพเพสัตตาอันนี้ไม่ได้แผ่อันนี้เป็นการทาการบ้านเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่อ สัปสัตทั้งหลายนะเวลาเจอหมาก็อย่าไปตีมันหมาจรจัดมาก็มีข้าวให้มันกินก็เลี้ยงมันอะไรอย่างนี้อันนี้ถือเวลาแผลต้องแผ่ตอนที่เวลาเราไปเจอคนเจอสัตว์แต่เวลาที่เราอยู่หน้าพระนี้เป็นการซ้อมเป็นการเตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นะงั้นเวลาที่เราเจอครนี้เราต้องดูใจตอนนี้เราโกรธเข้าหรือเปล่าเกลียดเข้าหรือเปล่าถ้าโกรธเกลียดก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาแล้ว ถ้าเราเกลียดเขาเราต้องให้อาภัยเขาให้ได้ต้องยกโทษให้เขาถ้าเรายกโทษให้เขาได้แล้วเราก็จะหายโกรธหายเกลียดนหรือถ้า<ำ>อ่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเรายกโทษไม่ได้ให้อาภัยไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆได้ไหมให้เป็นอุเบกขาไปก็แล้วกันถ้ายังให้อภัยไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปอย่าไปถือโทษเขาได้ไหมเฉยๆไว้ใช้อุเบกขาก็ได้คําถามข้อต่อไปจะคุณพรนะครับ การฟังธรรมบ่อยๆจะช่วยให้จิตใจสงบได้ใช่หรือไม่คะเวลาฟังธรรมมันก็เป็นการทําสมาธิเพราะว่าเสียงธรรมนี้ก็เป็นเหมือนพุทโธเวลานั่งฟังธรรมนี้เราไม่ต้องพุทโธเราไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกเราใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนฟังไปแล้วก็จะได้ประโยชน์สองแบบถ้าฟังไปฟังแต่เสียงแต่ไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้สมาธิใจก็จะสงบ แต่ถ้าเราเข้าใจความหมายเราพิจารณาตามเราก็จะได้สัมาทิฏฐิได้ปัญญางั้นก็ฟังจะได้ประโยชน์สองแบบถ้าได้ถ้าได้ถ้าไม่เข้าใจก็จะได้แต่สมาธิถ้าเข้าใจก็จะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาได้เป็นภาวนามายะปัญญาไปได้คำถามข้อต่อไปจะคุณสาสินนะครับเมื่อนั่งสมาธิจิตมันรวมลงแล้วจิตจะยกข้ออัดข้อทา เพื่อให้พิจารณาให้เห็นใจรักเป็นอัตโนมัติผมไม่ได้คิดไปเองใช่หรือไม่ครับเวลาใจรวมใจสงบนี้อยาพกพิ่งไ่คิดที่เราทําสมาธิเพื่อให้มันหยุดคิดทํำท่าเป็นแทบตายให้มันหยุดพอมันหยุดปั๊บก็จะเดึงมันมาคิดอันนี้ผิดหลักนะการทําสมาธิเพื่อให้หยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วให้มันหยุดคิดนานๆให้มันนิ่งนานๆเพราะความนิ่งของใจนี้เป็นกําลังของใจที่จะต่อสู้กับตันหา กับกิเลสต่อไปฉะนั้นเวลานั่งสมาธินี้อย่าไปคิดหยุดคิดพอจิตหยุดคิดนิ่งแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆจนกว่ามันจะอิ่มตัวแล้วมันจะถอนออกมาเองพอมันถอนออกมาคิดแล้วเนี่ยตอนนั้นคุณเอาความคิดนี้ไปคิดในทางปัญญาได้จะคิดในทางตายรักได้คําถามข้อต่อไปจะกคุณโจสา ย, ยานะครับผมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อจรัน ตามแนวสติปรับฐานสี่พิจารณาตลอดโดยไม่ให้ว่างโดยไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนแต่ออกทางปัญญาเลยมีสติให้รู้พร้อมแต่ไม่ค่อยสงบต้องทำอย่างไรครับก็ต้องทำให้มันสงบจะทำไงรับ ถ, ถ้ามีสติจริงมันต้องสงบถ้ามีสติแต่มันไม่ต่อเนื่องมันก็จะไม่สงบถ้ามันไม่สงบปัญญาก็ทำงานไม่ได้ ทำงานก็จะไม่มีปัญญาจะไม่มีกำลังฆ่ากิเลสได้ปัญญาต้องอาศัยกำลังของสมาธิถึงจะฆ่ากิเลสได้คำถามข้อต่อไปจะคุณโซสวยนะครับเมื่อเราเจอความทุกข์หลายๆเรื่องพร้อมๆกันเรานั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมคะแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรเวลาเรามีความทุกข์ใจแล้วถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็จะหยุดความทุกข์ใจได้ชัว่วคราว พอเราจะลืมเรื่องต่างๆไปจิตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันก็จะสงบแล้วก็มีความสุขแล้วพอออกจากสมาธิมานี้ก็อยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราจะใช้ในการแก้ปัญหาได้หรือไม่ถ้าเราเห็นตายรักษณ์เราก็จะแก้ปัญหาได้ถ้าเรามีปัญหากับแฟนแฟนอยากจะขอเลิกแฟนไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วแล้วถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าออแฟนเรามันก็เป็นอนิจจ์นะ เขาก็ไม่แน่นอนเขาก็อาจจะอยู่กับเราหรือไม่ไม่อยู่กับเราก็ได้ตอนนี้เขาจะไม่อยู่กับเราแล้วเขาเป็นอนิจจังใช่ไหมเขาเป็นอนัตตาใช่ไหมเขาไม่ใช่เป็นของเราใช่ไหมถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาแล้วยอมรับอย่าไปฝืนอย่าไปอยากให้เขาอยู่เราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรายังไม่ยอมรับว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเรายังคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเรายังจะคิดว่าเขาเป็นของเราอยู่ ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะทุกเวลาที่เขาจะขอเลิกเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราถ้าเรายอมรับความจริงอนี้ได้เราก็จะหายทุกข์เราก็จะปล่อยเขาไปได้คำถามข้อต่อไปจากคุณใครทำใครได้การปฏิบัติถ้ามีความลาบาก เช่นอยู่ในป่าในเขาโดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรจะเป็นผลดีต่อเราไหมแล้วการปฏิบัติธรรมทาไมต้องหาสิ่งเหล่านี้คือไม่มีอะไรเลยฝืนจิตใจมากๆครับก็เพราะว่าเราต้องการที่จะเลิกพึ่งพาสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่เราพึ่งพาสายนี้มันไม่เที่ยงเวลามีมันก็ดีแต่เวลาขาดมันไปแล้วมันก็จะทําให้เราลําบาก เพราะนั้นเราหัดไปอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าที่มันลำบากก็เพราะว่าเราไม่เคยชินอยู่แบบนี้เท่านั้นเองแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะชินกับมันแล้วเราจะรู้สึกสบายกับการที่เราไม่ต้องพึ่งอะไรมามาเป็นที่พึ่งของเราเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้นี่คือหลักของการปฏิบัติเพื่อให้เราทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้ ให้พึ่งตัวของเราด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าคือสติสมาธิและปัญญาที่ไปปฏิบัตินั้นก็เพื่อที่หนึ่งไปสร้างสติสมา ธ, มาธิปัญญาพอไปอยู่ที่เป่าเปียวเดียวดายมันเป็นที่เหมาะกับการสร้าง ส, สติสร้างสมาธิสร้างปัญญาและมันเป็นที่ที่เราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรต่างๆในป่านี้เราไม่มีอะไรเหมือนกับที่เราอยู่ในบ้านในบ้านนี้เราเพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสทุกชนิดเลย รูปต่างๆที่เราดูเสียงต่างๆที่เราฟังกลิ่นที่เราดมลิ้มรสที่เราลิ้มรสสิ่งที่เราสัมผัส ด, ด้วยร่างกายนี้เราอาศัยสิ่งต่างๆทั้ ง, งหมดพอเวลาไม่มีสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานี้เราจะเดือดร้อนเราจะทุกข์ขึ้นมาเวลาน้าดับไฟไม่ไหลนี่เวลาไฟไฟดับน้ำไม่ไหลนี่เป็นยังไงวุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่พอพอมาอยู่ในป่าไม่มี น้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีทำให้ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขานงั้นเราที่ต้องไปอยู่ในที่กันดารก็เพื่อที่จะฝึกใจให้ปล่อยวางไม่ให้พึ่งอะไรให้พึ่งสติสมาธิปัญญาพอเพราะถ้ามีสติสมาธิปัญญาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขใจไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับใจคําถามข้อต่อไปจะคุณไมดี้นะครับความอยากที่จะพ้นทุก ถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าคะเดี๋ยวขอหยุดคำถามนะเพราะเหลือเวลาส1 0นาทีเมื่อกี้ครับว่าอย่างไรนะคำถามคือความอยากที่จะพ้นทุกข์ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นนะความอยากมีสอ ง, สองแบบความอยากที่ดีกับความอยากที่ไม่ดีความอยากทำบุญความอยากปฏิบัติธรรมความอยากพ้นทุกข์นี้เป็นความอยากดีเรียกว่าฉันทะเราไม่เรียกว่าตัณหาตัณหาความอยากไม่ดีมีแค่สามตัวท่าัน คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าการมาตัญหานี่ไม่ดีเพราะว่าตัญหาความอยากมีอยากเป็นก็ไม่ดีอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากเล่าอยากรวยหรือ aquí, PDF, อ, ย parsley, อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ดีนะแล้วความอยากที ah ่สามที่ไม่ดีก็คือความอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ว้าเหว่ยอยากไม่อยู่คนเดียวความอยากแบบนี้ไม่ดีอย่าไปมีมัน แต่ความอยากอย่างอื่นดีมีอยู่เช่นอยากทำบุญอยากปฏิบัติธรรมอยากสละสมบัติอยากอยากจะยกสมบัติให้คนอื่นอยากจะอยู่แบบคนจนอยากจะอยู่แบบพระพุทธเจ้าถ้าอยากแบบนี้ถือว่าแบบอยากแบบนี้ดีเพราะจะทำให้เราพ้นทุกข์ขออนุญาตจบคำถา ม, ถา ห, มหมดแล้วเหรอมีค้างอยู่ไหมมีค้างอยู่สักคำถามเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลย ครับเดี๋ยวยังมีเวลาอีกสิบนาทีเพียงแต่คำถามใหม่อย่าเพิ่งเข้ามาเพราะจะไม่ได้ตอบนะส่วนใหญ่คนที่ตอบข้อความมาจะบอกว่ามีประโยชน์กับผู้อยู่ไกลมากๆครับ ช, ช่วยช่วยช่วยแสดงความคิดเห็นมาให้ด้วยนะเพื่อให้ทางทีมงานจะได้มีกำลังใจว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปหรือไม่ทำอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวเหลืองครับกำลังใจเยอะไปครับ <laughs> <laughs> จากคุณศิริปยานะครับ จะสวดมนต์ภาวนาหรือเจริญสมาธิก็ไม่ต้องสับเพสสับตาใช่ไหมคะความเมตตาควรมีตอนเจอกันหรือดีต่อกันใช่ไหมคะใช่ยิ่งแต่ว่าบางทีต้องคอยเตือนใจบ้างสวดบ้างก็ดีเพราะจะได้เตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องเตือนใจถ้าเรามีนิสยัยมีความเมตตาเจอใครก็ไม่คิดร้ายกับใครคิดดีกับเขาถึงแม้เขาจะร้ายกับเราเราก็ไม่โกรธเคืองเขาให้อภัยเขา อย่างนี้เราก็ไม่ต้องสับเพยก็ได้แต่สําหรับคนที่บางทีเจอใครขึ้นมายังโกรธเขาอยู่ยังเกลียดเขาอยู่ยยยนี้ก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจว่าต่อไปนี้เราอย่าไปโกรธไปเกลียดใครนะเพราะการโกรธการเกลียดคนนี้มันทําให้เราทุกข์อ่ะคนอื่นเขาไม่คนที่ถูกเราโกรธเกลียดเขาไม่ได้ทุกข์หรอกคนที่ทุกข์จริงๆก็คือเราอนอกจากที่เราไปทําร้ายเขาเท่านั้นก็ละเขาถึงจะทุกข์แต่ถ้าเราโกรธเฉยๆในใจเราเนี่ยเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้ว่าเราโกรธหรอกเขาก็ไม่เดือดร้อน แต่ความโกรธของเรานี้มันจะทำให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้อาจจะไปทุบร้ายไปทุบทำร้ายเขาได้ไปตีเขาได้ไปฆ่าเขาได้น้นเราต้องพยายามใช้ความเมตตาดับความโกรธความเกลียดให้ได้ด้วยการให้อภัยคำถามสุดท้ายประจำวันนี้นะครับจะคุณใครทำใครได้นะครับแล้วบุคคลที่ว่ารู้ทำแต่ไม่เคยอยู่ในที่อันตรายหรือป่าชา้าอยู่แต่ในที่ปกติ เขาจะรู้ตัวเองไหมเพราะสถานที่ต่างๆบอกตัวเราเองได้ไหมครับอันนี้มันก็อยู่ในจิตใจของแต่ละคนบางคนเขาเขาสามารถทำใจได้โดยที่เขาไม่ต้องไปเจอเหตุการณ์จริงเขาก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่บางคนนี้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงก็อาจจะต้องไปหาข้อสอบทําดูเพื่อจะได้รู้จริงว่า ว่าปล่อยวางได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นความกลัวนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่น่ากลัวเราก็ยังไม่รู้ว่าเรายังมีความกลัวอยู่หรือเปล่าเราก็อาจจะต้องไปหาที่น่ากลัวอยู่ถ้าไปอยู่แล้วมีความกลัวเราก็จะได้รู้ว่าเราหยุดมันได้หรือเปล่าถ้ายังหยุดมันความกลัวไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังยังทำงานไม่เสร็จแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอยู่แต่เราคิดว่าเราหยุดเราไม่มีความกลัวอะไรแล้วเราก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ส่วนใหญ่แล้วคนมักจะไม่มั่นใจถ้ายังไม่เจอเหตุการณ์จริงนี่ยังไม่แน่ใจว่าจะหลอกตัวเองหรือเปล่าต้องลองเจอของจริงดูถึงจะแน่ใจกว่าฉนั้ส่วนใหญผ่ผู้ปฏิบัติถึงมักจะเข้าป่าเข้าเขากันเพราะว่าเวลาอยู่ในบ้านอยู่ในวัดนี่มันไม่มีเหตุการณ์ที่จะมาท้าทายต่อความความเป็นความตายที่จะทาให้เกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยต้องไปหาสถานที่ที่มันทาให เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วจะได้รู้ว่ามียังมีอยู่หรือเปล่าออแล้วถ้ามีกําจัดมันได้หรือเปล่าออถ้ากําจัดไม่ได้โหดเดีแล้วที่มั่นใจแล้วที่ไม่ต้องไปอีกก็ได้ออถ้าไปเจอเสือเจออะไรแล้วใจนิ่งยอมให้เสือกัดตายได้มันก็ต่อไปมันไม่ต้องไปแล้ว อ, อ, อันนี้ก็คือเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่ออพิจารณาเองเออว่าควรจะทําอะไรอย่างไร วันแรกใช่ไหมคำถามพระอาจารย์ครับน่าจะมีลูกศิษย์หลายคนที่หวงพระอาจารย์ว่าการถ่ายทอดสดและตอบคําถามมากๆเนี่ยทําให้พระอาจารย์เหนื่อยขึ้นไหมครับไม่หรอกก็ดีเราจะได้เราเราชอบอย่างนี้ถนัดกว่าถ้าให้เราพูดเทศไปเรื่อยๆนี้บางทีเราไม่รู้จะค้นหาอะไราเทศนะแต่ถ้ามีคนมาถามเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็จะได้มีประเด็นให้เราพูดได้งั้นเราเราไม่เหนื่อยหรอกเราพอใจเราชอบแบบนี้มากกว่าให้เรามานั่งพูดคนเดียวแล้วคนฟังไปเรื่อยๆ แล้วบางทีเขาฟังแล้วบางทีเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตรงประเด็นกับปัญหาเขาบ้างหรือไม่ใช่หมแต่อย่างนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ว่ามาเลยแล้วเราตอบได้ก็ตอบไปการไม่มีปัญหาอะไรนะทําไปเถอะใครอยากจะถามอะไรก็ถามมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิจารณาแลไปปฏิบัติ